พอได้ประโยชน์ไหมคะในการให้คำแนะนำเบื้องต้นออกให้ใช่ออกอยังครับออกกันครับกับนรบรนมรสนรพ่อท่านสมณะหมู่สงศิกมาศแล้วก็เจริญทาท่านนักศึกษาวนอบ อ, บอนะครับที่มุ่งมั่นความสำเร็จด้วยอิธิบาท4 ต้องต้องเรียนว่าถึงผมจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ด้วยเทคโนโลยีทําให้เราสามารถรับฟังการเรียนของพวกเรานะครับ mm hmm. โดยยิ่งที่สําคัญที่ผมสนใจก็คือคําถามของพวกเรานะครับที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนไม่ว่าจะของพ่อท่านนะฮะทั้ง3ามวิชาหรืออาจารย์วิชัยนะครับหรือต่อไปอาจจะเป็นพวกเรานะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นสิ่งซึ่งนำมาซึ่งส่วนที่นำมาเรียนเสนอนำเสนอให้กับกท่านด้วยนะครับก็แสดงว่าของที่มีนี้ไม่ใช่ของแห้งไม่ใช่กระป่องนะฮะเป็นของสดนะครับเดี๋ยวจะชี้บางจุดให้เห็นนะครับว่ามีส่วนตรงนี้ก่อนอื่นนะครับผมได้เรียนปรึกษาบางท่านแล้วแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าน่าจะพูดตรงนี้ไว้ก่อนเลย นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้การฟังจะสนใจที่จะเอาไปใช้นะครับก็คือเรื่องของการทำงานเขียนนะฮะงานของเราจะมีสามระดับนะครับงานเขียนภาษาอังกฤษเรียก paper work งานรายงานเรียกว่า report แล้วก็งานมีไอพนอันนั้ก็ thesis นะครับ ถ, ถ, ถ้าระหว่างที่เราเรียนอย่างนี้เราก็จะมีงานเขียนนะครับแล้วก็งานรายงานก็อาจจะเป็น เทอมละครั้งหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเบียานิพน์ก็ไปปีสีนั่นนะครับตอนนี้ก็คิดว่าการที่เรามีงานเขียนมันจะช่วยให้ทำให้เราย่อยนะฮะเกิดกระบวนการนักปราศสุจิปุรินะครับแต่ว่างานเขียนตรงนี้อย่า ก, กังวล น, นะฮะเราเป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็เป็นการเข้าสู่กระบวนการกลุ่มเพราะเราจะขอ งานเขียนระดับกลุ่มเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าเรามี11กลุ่มก็มี11รายงานเท่านั้นเองนะครับ อ, อันที่2ก็คือรายงานนี้เราไม่ต้องการปริมาณนะครับเขียนประมาณสัก3แผ่นบวกลบนะฮะบวกลบที่หน่อยไม่เป็นไรบวกลบแผ่นหรือหรือแผ่น ห, ห, หรือ2แผ่นแผ่นครึ่งอย่งี้ไม่ไม่ซีเรียสแล้วก็จะมีอีก1แผ่นหรือ2แผ่นอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาเพื่อจะบอกว่าท่านดาเนินการในงานเนี้ย ด้วยกรรมวิธีกลุ่มยังไงบ้างนะฮะเอาแบบเป็นเป็นแบบมันก็เป็นสเต็ปสเตนี่ยนะฮะแบบสรุปสรุ ป, ส ร, ปสรุปมานะครับจากจากของจริงที่อยู่เพราะฉะนั้นส่วนสําคัญก็จะเป็นส่วนเนื้อหาที่ท่านเลือกจากหัวข้อนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกแล้วส่วนที่สองอันนี้ประมาณสาแผ่นแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่ท่านทําในกระบวนการกลุ่มอันนี้อาจจะหนึ่งหือสองแผ่นเพรา ะ, ะั้นสิ่งที่จะขอจากท่านมาตรงนี้ก็เพียงแค่4ี่ห้าแผ่น มากไปไครับขอมากไปไหมไม่มากนะฮะไม่ยากนะแล้วนี้มีเวลาประมาณ2เดือนนะฮะับ 2, 2> <c oughs> เดือนอีกต่างหากก็คื อ, อเราจะมีประมาณ1เดือนนะครับก็คือท่านท่านไปพูดคุยกันว่าท่านจะเลือกหัวข้ออะไรยังไงเพราะอะไรยังไงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ประมาณประมาณสองอาทิตย์นะฮะสองอาทิตย์ท่านควรจะเสร็จนะครับขอขอให้ท่านเสร็จตัวนี้นะครับ แล้วก็ให้เวลาท่านอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อนําเสนออันนี้อันนี้คุยกันได้นะฮะคือท่านจะท่านจะทางนี้นําเสนอเลยแล้วไปปรับแก้หนึ่งอาทิตย์หรือท่านทําเสร็จแล้วส่งแล้วก็ไปทําเป็นงานนําเสนอเพราะว่าในสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะนําเสนอขึ้นมานําเสนอกันนะครับก็อาจจะใช้กลุ่มละประมาณอาจจะ 5-10 นาทีอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยว่าตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉนถ้าสิกลุ่ม5นาทีมันก็50นาที ถ้าสินาทีก็ร้อนาทีก็ประมาณอยู่ประมาณระหว่างชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมีคอมเมนต์นะครับหมายถึงว่าพวกเราก็จะช่วยกันคอมเมนต์ว่าแต่ละกลุ่มทำมาอางี้นะมียังไงอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ให้กลับไปกลับไปปรับปรุงนะครับปรับปรุงแล้วก็สัปดาห์ที่4นะฮะก็คือ2เดือนเนี่ยนะฮะท่านเหมือนกับคล้ายๆสอบเล็กๆก็คือมานําเสนอเลย แล้วเราจะให้คะแนนกันดังนั้ น, ว, นวันที่มานําเสนอจริงเนี่ยไม่จําเป็นต้องยาวละเพราะทุกคนรู้เรื่องละแต่ทํำยังไงเหมือนกับไปนําเสนอกับสาธารนณะคือคือสองสอันนี้ต่างกันน ะ, ะครั้งครั้งครั้งแรกเนี่ยมันเป็นลังษณะพวกเรารู้กันแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านท่านพยายามนึกว่าท่านกําลังนำเสนอกับคนที่ข้างนอกอคนที่ไม่ใช่พวกเราคนที่จะทํำยังไงให้หัวข้อของท่านเนี่ยออกไปแล้วโดนนะครับภายใต้เวลาที่ อันนั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยกันคาหนดอีกทีแล้วกันก็คงประมาณ3นาทีห้นาทีหรือไม่เกิน10นาทีนะครับตรงนั้นยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าคนยุคนี้เอายาวๆเขาก็เขาก็ก็จะผ่านเขาก็จะไม่สนใจฟังนะครับอันนี้คือการอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องในรอบนะครับในรอบของของการทําจริงในรอบใหญ่แต่มันก็จะอยู่กระบวนการอย่างนี้แหละมันก็จะอยู่กระบวนการอย่างนี้ทีนี้เราเนื่องจากหัวข้อเราเล็กเราก็เลยไม่ต้องใช้เวลามาก ทีสิบยี ile, ่หกคนก็อย like ู่ในรอบใหญ่อย่างนี้เป็นแต่วัวข้อมันใหญ่แล้วก็เรื่องราวมันเยอะนั่นเราจะเริ่มอุ่นเครื่องให้เราคุ้นเคยกับไอ้ไซเคิลหรือว่ารอบแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้นะครับขึ้นมาดีไหมครับโอเคทีนี้ก็จะมีหัวข้อเดี๋ยวขอขอพูดให้จบก่อนนะครับหัวข้อเรามีสามหัวข้อนะครับอันที่หนึ่ง <t> ก็คือเริ่มด like ้วยพ่อครูนะครับพ่อครูสอนอยู่3าวิชานะฮะ ก็คุูสอนอยู่สามวิชาสันค่าสร้างคนความรักสิมิติแล้วก็พุทธชีวศิลป์ถ้าในมุมมองแบบเดิมๆนะครับเราก็ฟังแล้วก็จดบันทึกแล้วก็มาติดตัดต่อจับสาระถูกไหมครับอันนี้คือพัฒน์เท่นปกตินี่เรียกว่าได้ product แต่วันนี้เราจะเลยกระบวนการ product ออกไปนะครับเป็นกระบวนการที่ว่าถ้ามองในฐานะองรวมมันมีมุมมองอะไรที่มากกว่านั้นไหมองรวมมันจะคำนึงถึงอะไรบ้าง นะครับอันนี้เดี๋ยวจะอยู่ในเนื้อหาตอนที่เรา เ, าเข้าไปในรายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆตอนแรกผมคิดว่าจะว่าตรงนี้ไปเสร็จแล้วก็มาพูดตรงนี้พอพูดคาองร์รวมมันก็เข้าใจแล้วเพราอธิบายไปแล้วนี่เป็นต้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ก็ข้าไมไปก่อนอหัวข้อที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติในฐานงานของท่านที่ทําอยู่นะครับในกลุ่มของท่านเนี่ยมีฐานงานอะไรที่ท่านอยากจะหยิบยกขึ้นมานะครับ แล้วผ่านกระบวนการเป็นองค์รวมก็คือเข้าสู่กระบวนการสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับแล้วในมุมมองขององค์รวมของแพลตฟอร์มเนี่ยท่านคิดว่าอะไรจะเป็นสาระสําคัญนะฮะที่ให้เกิดกระบวนการกลุ่มแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นอันนี้ก็จะมากกว่าเดิมอีกเพราะเดิมเราก็จะมองฐานงานนักศึกษาที่ว่าตั้งเป้าหมายอะไรเราทํากันยังไงนะครับทำได้ตามเป้าหมายไหมนะถ้าได้ก็เป็นผลสำเร็จถ้าไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีอุปสรรคหรือมีข้อบอกพร่อง คนน้อยงานน้อยเงินน้อ ย, นน อ, ยอะไรก็แล้วแต่นะอย่างงี้ยเป็นต้นไปจบที่ตัวโ Product หรือตัวผลงานแต่อันนี้เราจะเลยจากโปรดักไปเป็นหรือตัวเ u t พุทธตัวเนี้ยไปเป็นเอาคำก็คือเป็นตัวที่ตามมาคือสิ่งที่เรนมองแบบมองแบบการศึกษามองแบบว่าจะเสนอแบบให้มันเป็นระบบเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นคนจะมาทําต่อไปเนี่ยในลักษณะของการศึกษาที่เป็นระบบขึ้นมาอย่างไงมันเริ่มคิดแบบเป็นระบบมากขึ้นนะครับ เพราะว่าในเชิงของตัวปฏิบัติอาจจะมองในแง่ของอเขาเรียก practice หรือ practical ก็คือเชิงปฏิบัตินิยมแต่อันนี้จะเชิงในระบบการศึกษามากขึ้นนะครับเรียนมุมการศึกษาที่เป็นระบบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกอหัวข้อหนึ่งนะครับพยายามอุ่นเครื่องเราแ ล, แล้วเราต่อยอดจากสิ่งที่เรามีนะครับหัวข้อที่สามอันนี้นำมาทำนิดหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างฮอตนะฮอตกว่าทั้งสองข้อก็คือหัวข้อว่า มหาวิชารามนาวาบุญยมซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดใหม่ถ้าท่านจะนำเสนอกับคนซึ่งเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเขาไม่ได้มาสัมผัสอย่างเราท่านจะสามารถพูดสิ่งที่เป็นนามาทําอย่างเงี้ยให้มันเกิดเห็นคุณค่ายัางไงนะครับมันมีเรื่องอะไรมันมีกระบวนการยังไงมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะในกระบวนการกลุ่มท่านก็จะพยายามไปช่วยกันคิดว่าอะไรตรงนี้ไม่มีถูกหรือผิดท่านท่านพอมองออกไหฮะ กระบวนการนทำสวน จ, จะไม่มีถูกผิดแต่มันอยู่ที่ว่าท่านจะมองมันยังไงท่านจะมีส่วนร่วมกับมันยังไงท่านจะมองในฐานะมุมมองแบบองค์รวมเนี่ยท่านจะมองอย่างไงบ้างอันนี้คือเหมือนกับเริ่มจุดประกายหรือจุดอุ่นเครื่องขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพัฒนารอบพวกนี้ไปเรื่อยๆด้วยมุมมองเพิ่มเติมด้วยหลักวิชาการอื่นๆหรืออย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวก็จะค่อยๆตามมานะครับสามข้อนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เราตั้งขึ้นมาเล่นๆนะครับเราตั้งเราให้สอดคล้องทั้งหมดก็ตรงกับวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์ข้อแรกถ้าเราจาได้นะฮะในภาพรวมเราจะส่งเสริมการศึกษาสู่โลกอุตละใช่ไหมครับการศึกษาสู่โลกอุตละเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกเลยอันนี้เราก็เริ่มด้วยหัวข้อที่ว่าสามวิชาของพ่อท่านนะครับอันนี้แน่นอนว่าเป็นการศึกษาสู่โลกอุตละแน่นอนใช่ไหมครับแต่จะใช้ออกนําสู่สู่สังคมให้รับรู้เนี่ยเราควรจะทํำยังไง ข้อที่2ก็คื อ, อเรื่องที่ว่าเราจะนําจู่กระบวนการปฏิบัติคือการเรียนรู้นี่ต้องมีการปฏิบัติการปฏิบัติก็อยู่ในฐานงานของเรานะครับเราอยู่ในฐานงานของเรานําเสนอออกสังคมในรูปแบบเรียกว่าเขาเรียก integral vision เนี่ยนะฮะคือคือมุมมุมมองแบบองค์รวมเนี่ยนะครับหรือบรูรณาการเนี่ยอย่างไรนะครับข้อที่3ก็คือนําระบบความรู้นี่ออกสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม เราก็เอาหัวข้อมหาวิชาลามนาวาบุญนิยมซึ่งก็คือตัวรูปธรรมนะฮะก็มีบทบาทใหญ่โตมีบทบาทแข็งแรงอันเนี้ยมันก็ถ้าเกิเรเริ่มทำงานการเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับเมื่อเมื่อทุกคนมาพิเศ์ให้ก่กันก็ถ้ากิเรากำลังทบทวนสิ่งที่เรากำลังก่อเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเราเป็นรุ่น รุ่นๆเขาเรียกนะหัวเจาะเพชรใช่ไหมฮะรุ่นเริ่มรุ่นไพรวนียรุ่นผู้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้มันต้องการพลังที่สามัคคีฉั้นทุกคนมีความถนัดแล้วเลือกเข้ามาแต่เมื่อนําเสนอให้แก่กันแล้วกันมันก็เท่ากับเหมือนจะศึกษาไปพร้อมๆกันยกระดับขึ้นไปพร้อมๆกันนะช่วยกันแบ่งกันพอพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะหลังสองเดือนแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าเออไอตัวเนี้ยมันมีอะไรมากกว่าที่เดิมๆแบบการศึกษาที่อโกมีแบบของโศมเองเพราะว่า เรารู้แล้วว่าวันนี้มาถึงรอบที่อโศกต้องนําเสนอออกไปให้สังคมนะครับอันนี้เคยพูดหลายครั้งว่ า, าช่วงหนึ่งที่อโศกพัฒนาเรื่องบุญนิยมนะครับเราก็มองว่าเราทำเหอะเราทำให้ดีทุกวันนี้เราทําดีแล้วนะครับทุกวันนี้สังคมยอมรับแล้วครับแต่ประเด็นที่ว่านักวิจัยจะมาศึกษาเราแล้วก็นําไปเผยแพร่ให้กับนักวิจัยปรากฏว่าจากที่กลุ่ม หลายคนนะีไม่ใช่เฉพาะผมหลายคนเนี่ยพอออกไปทําระดับปริญญาเอกเราจะต้องศึกษางานวิจัยของผู้อื่นที่มาศึกษางานอโศกเนี่ยนะครับเรามีนับร้อยนะแต่คัดขึ้นมาแล้วก็เป็นนับสิบที่คิดว่าศึกษาจริงๆลึกๆนะครับอนอกจากจะเพียงแต่บอกว่ากลุ่มอโศกเป็นกลุ่มหนึ่งขึ้น ม, มีอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยพูดแบบผิวเผินแต่กลุ่มที่มาเจาะเรื่องอโศกจริงๆพอเอาเข้าจริงๆเขาก็เจาะลึกเข้ามาเพียงแค่รูปแบบ เนะช่นมีพฤติกรรมแต่งตัวอย่างไรเท้าเปล่าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็เอาใส่กิจวัตรเข้ามานะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรมีองค์การเชื่อมีฐานงานอะไระมีจํานวนสมาชิกอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่เอาหลักธรรมเขาจริงๆเนี่ยก็ถอดเทป พ, พ่อท่านไปบ้างบางส่วนเพราะว่าโปรติการเขียนนาวีพจเหมือนพื้นที่มันน้อยนะก็เอาไปนิดนึงมาสัมภาษณ์ท่านบางครั้งก็หลายครั้งแต่เราไปอ่านดูตรงนั้นหลายท่านที่ที่เรียนก็มาก็บอกโอ้พราะท่านสอนลึกกว่านี้เยอะเลยนะ ทำไมออกไปได้แค่นี้เองนะฮึ่งซึงเข้าใจเพราะเขาก็ต้องไปเตรียมฟื้นที่ไว้ให้ท่านอื่นๆด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นท่านพุทธาหรือท่านพระพุทมุนาพรหรือท่านพระปฏิบัติอื่นๆก็แล้วแต่นะอันนี้เราเข้าใจอยู่แต่ว่าความลึกซึ้งนะ่ะมันมันพวกเราอ่านเราจะรู้สึกวอามันมันไม่เข้าเลยอ่ะมันยังไม่เข้าใกล้เลยนะฮในความรับรู้ที่เรามีแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องอะไรที่เรามีโอกาสที่เราจะทําตรงนี้ แล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลนะครับให้คนที่ต่อไปมาศึกษาเราเขาจะมีข้อมูลเหล่านี้ในเชิงลึกเนี่ยนะแล้วเป็นระบบการศึกษาด้วยมันจะเกิดคุณอุปการเกกับการศึกษาของข้างนอกที่มาศึกษาศพด้วยนะครับตรงนี้ดังนั้นต้องเข้าใจว่าเราทำอันนี้กับข้างนอกไม่ได้แยกจากกันนะครับตรงนี้มีใครมีคาถามอะไรไหมครับในเรื่องเรื่องหัวข้องานตรงนี้ ครับเชิญ เ, เปิดเปิดด้เปิดเสียงอยากเรียนถามว่ า, าที่จะสรุปสามหัวข้อเนี่ยค่ะจากการฟังธรรมของพ่อท่านใช่ไหมคะเ อ, อ่อทั้งหมดเลยที่เราเรียนรู้หมดเรารับรู้หมด ท, ทุกอย่างทั้งวิชาเลยเหรอคะทั้งหม ด, ท, หมดทั้งปรากฏการทั้งที่เราเริ่มต้นบรรยากาศทั้งใครมาอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเอาเข้ามาได้หมด mm hmm. นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ า, วา กลุ่มแต่ละกลุ่มนี้จะจะทำทำเกี่ยวกับอันนั้นแค่ไหนนะครับ <ขอ S 2> ท่าน<ข> อ, <ร>อิสระท่านได้ทุกอย่างนะครั บ, ขอขอบเริ่มตน้นก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนทํสามเรื่องนะฮะกลุ่มต้องไปเลือกเองว่า3หัวข้อนี้ในกลุ่มนั้นเนะี่ยไอ้นี่ก็น่าทำหัวข้อนี้ก็น่าทําแต่เราก็คงต้องเลือกเอาว่าเราลําดับสูงสุดที่เราควรจะทําอันนี้คือเรื่องไหนนะครับงั้นสมมุติว่าถ้าสมมุติเฉยๆนะสมมติว่าตรงนี้เน้นอชอบทำงานมาก10บกลุ่มนี้อาจจะเป็นฐานงานเป็น6กเ กลุ่มเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอาจจะมีพ่อท่านอาจจะมาวิจาลณมน้อยที่สุดสมมุตินะฮะนี่ผมสมมติ ahaha, ไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นใดๆทั้งสิ้นมันจะสะท้อนออกมาจากส for, ิ่งที่เป็นเป็นปัจจุบันของของแต่ละท่านแต่ที่สำคัญคือเราเริ่มนาเอาอความเข้าใจมุมมองแบบองรวมเนี่ยเข้ามาประกอบได้แค่ไหนยังไงนะครับอันนี้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเริ่มประกอบเข้าไปนะฮะหรือค่อยๆซึมซับกันเข้าไป พอพ อ, พอเข้าใจใช่ไหมเราเดิมเราเน้นระบบเพียงแค่ว่าเรามี input คือมีตัวนำเข้าก็คือตัวฐานงานตัวกิจกรรมตัวอะไรแล้วเราก็เข้าไปทำงานไปเรียนรู้เป็น process หรือกระบวนการแล้วเราก็มีความสำเร็จมีผลงานที่ดีๆออกให้สังคมมันเป็นแค่ทฤษฎีระบบเฉยๆแต่วันนี้การศึกษาเราจะขยายไปอีกสองตัวก็เรียกว่าการวิเคราะห์เชิงระบบหรือ system analysis ก็เพิ่มจาก3ามตัวแรกไปก็คือตัวที่เขาเรียกว่า outcome คือผลที่ตามมาผลที่ตามมาคืออะไรคือวันนี้ถึงรอบของพลังเหล่านี้สามารถก่อเกิดมหาวิชารามนาวาบุญยมขึ้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันมันส่งผลต่อสังคมเป็นอิมแพคต่อไปอย่างไรตอนนี้ออกใช่ไหมฮะไอ้ตอนนี้เราว่าส่งผลต่อสังคมเป็นยังไงยังไม่พูดเราพูดว่าเราจะนําเสนอสู่สังคมอย่างไรถูกไหมเราต้องยิงยิง ย, งยงิการนําเสนอสู่สังคมไปเรื่อยๆนั้นกระบวนการนี้ก็กําลังเริ่มให้ท่านมองแบบระบบ เชิงวิเคราะห์นะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานในเชิงการเขียนงานที่จะสูงขึ้นเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นระดับเยนินพลเนี่ยเชิงการวิเคราะห์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในหนึ่งบทสําคัญที่จะเป็นของงานเขียนนะครับดังนั้นเราก็เริ่มกระบวนการนี้ค่อยๆไปแต่สิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยมันก็เปรี่ยนเหมือนกับเป็นงานสะสมข้อมูลในปัจจุบันเลยที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับดังนั้นพอคนรุ่นต่อไปหรืออีกสามปีหปีกลับมาดูอ้อ คนนี้เขาเริ่มแบบนี้น ะ, ะเขามีจุดกําเนิดแบบนี้นะอ ะ, อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีอะไรที่มันเป็นตัวแรงจูงใจอะไรที่มันเป็นตัว drive หรือ motivation หรือตัวขับเคลื่อนอะไรเงี้ยนะครับพอพอพอเข้าใจใช่ไเวลาคนศึกษาเขาขศึกษากลับมาเขาก็จะมองเป็นประเด็นเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับครับเชิญครับค่ะขอขอนุญาตนะคะคือ อย่างที่อาจารย์ต้องการงานเขียนของเราเนะะี่ยค่ะคือปกติทุกวันเนี้ยกลุ่มของเราเนะะี่ยค่ะต่างคนต่างไปทาํางานตามฐานงานของตัวเองดิฉันก็เลยไม่ทราบว่าไองานเขียนของที่อาจารย์ต้องการเนี่ยเราจะเขียนจากวิถีชีวิตของเราเองที่ไปปฏิบัติกับฐานงานหรือเอากระบวนการกลุ่มเข้ามาเพราะว่าการเรียนกับกลุ่มเราไม่ค่อยได้คุยกันนะคะแล้วไม่ค่อยมีเวลามาสรุปอะไรกันมากมายบางทีไม่รู้จักกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ การทำให้ดูวฐานงานตัวเองเนี่ยจะไม่รู้จักกันนั่นแหละครับที่ท่านถามนั่นคือคาตอบเราก็สร้างตัวนี้แหละเพราะเราให้สองเดือนนะสองเดือนแล้วท่านพอจะจัดสรรเวลาอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยมันมันอิสระแล้วมันฟรีและอย่างเราก็ต้องการแค่สามแผ่นเราไม่ได ER ้ลึกซ şey> ึ้งไม่ใช่เป็นแบบเบียนิพนธไม่ใช่เป็นอะไรไม่ต้องเอาแบบส่วนตัวใช่ไหมคะอ๋่ใช่ม่ใช่เป็นกระบวนการกลุ่มแน่นอนอันนี้เราเสริมกระบวนการกลุ่มให้มีจุดเริ่มต้นเราต้องก้าวแรก นะเหมือนมนุษย์เป็นดวงจันทร์มีก้าวแรกก้าอื่นมันก็จะค่อยๆเข้ามาเราก็หวังว่านี่จะเป็นส่วนช่วยนะครับในเรื่อง ด, ดิฉันแถมให้หน่อยแล้วกันนะคะดิฉันเข้าใจว่อีกหลายคนจะงงคืออย่างนี้ที่ผ่านมานะส่วนใหญ่ในเวลาที่จะสรุปกันนี่คือจะติวกันว่าพ่อท่านสอนอะไรวันนี้เราเพิ่มเติมว่านอกจากพ่อท่านสอนอะไรแล้วเนี่ยเราพอมองเห็นภาพรวมได้ไหมว่าทั้งหมดนี้กําลังพูดถึงเรื่องตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของเนื้อหาในการเจาะหรือ ก, การปฏิบัติธรรมตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของประโยชน์ท่านคือเรื่องการ เข้าไปทำประโยชน์ให้กับสงังคมกำลังพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมกาลังพูดถึงเรื่องโ น, โน่นเรื่องนี้เรื่องนี้และเรื่องโ น, โน่นและทั้งหมดก็คือภาพรวมของคำสอนของพ่อท่านกำลังบอกอะไรไม่ได้ลงรายละเอียดของเนื้อหาดีดิฉันเข้าใจถูกไหมครับไม่ได้ลงรายละเอียดของเนื้อหาแต่เริ่มรู้สึกแล้วว่า ความยิ่งใหญ่หรือเนื้อหาของพระท่านน่ยครอบคลุมทั้งจั ก, กรวาลทั้งเรื่องส่วนตัวส่วนตัวในจิตวิญญาณเราของเราเจาะลึกแล้วก็เรื่องโลกที่มันกว้างใหญ่ไพศาลในเรื่องระดับมหาจั ก, กรวาลผู้บางคีพูดถึงเรื่องดาวเคราะหโน่นโน่นนี่นี่ทั้งเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดอุตุพีชาจิตกรรมธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยจนบางทีเราฟังแล้วเราก็งงแล้วก็เบลอเลยทำไมมันไปแยะแยะมากมายเดี๋ยวก็เรื่องการเมืองอริยะเดี๋ยวก็เรื่องเศรษฐกิจบุญนิยมเดี๋ยวก็เรื่องโ น, น่นเรื่องนี้ทํำไมมันเยอะไปหมดอันนี้คือทั้งหมดภาพรวมว่าเาเเรรห็นอะไ พอนื้อออกไหมคะนี่นี่คือคําว่าภาพรวมองค์รวมของคําสอนทีนี้พอส่วนถึงพูดถึงเรื่องของฐานงานนั่นหมายคือว่าทุกคนอยู่ในฐานงานเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่างเช่นขายของที่อุทยานเราก็จะรู้เฮ้ยวันนี้เราขายของได้เท่าไหร่เดือนนึงเราขายได้เท่าไหร่เรากําไรต่อปีเท่าไหร่ลงสีก็จะบอกชั้นสีข้าวกี่ตันกี่กิโลถูกไหมคะไอแชมพูก็จะบอกชั้นฟิล ้แชมพูกี่ขวดวันนี้เราไม่ต้องการแค่นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าโปรดักต์ก็คือได้โปรดักต์ออกมาว่ายอดการผลิตสูงขึ้นมีพัฒนาการกระบวนการผลิต ด, ดีขึ้นทันสมัยขึ้นอันนี้คือกระบวนการผลิตที่ออกมาเป็นโปรดักต์คือตัวสินค้า แต่วันนี้เรากำลังจะบอกว่าหลังจากที่เราฟังแล้วเราเกิดไอเดียเ้วเก็ตขึ้นมาไม่ว่าเฮ้ยไอที่เราเคยทำอยู่มันน่าจะทำอะไรที่นอกเหนือจากที่เราบอกเราผลิตได้กี่ขวดสีข้าวได้กี่ตันเรายังจะบอกว่าโอ้เราสามารถเอาประสบการณ์ที่เราได้จากการสีจากการผลิตนี่แหละมาบอกกล่าวกับผู้คนที่เข้ามาศึกษางานกับเราว่ากระบวนการสีเนี่ยให้ประโยชน์อะไรแกเขาบ้างในแง่ของการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญ ญ, ญาณ ให้กระบวนการเรียนรู้อะไรบ้างที่เขาควระจะต้องฝึกฝนอะไร <บา S 2> ประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะอาจารย์พี่สิน เ, เห็นเขาบอกว่าให้พวกเรากราบลาพ่ะท่านกันก่อนอ๋อค่ะคเจอเลยครับหัวหน้ า, น, านักเรียนกราบคุณเรียนเชิพ่อท่านครับกราบในมณฑ์พ่ะท่านให้พวกเราได้กราบลาค่ะอ๋อแล้วพานครับ โอเค ขอริยากราบลาพ่อครูค่ะพ่าท่านจะส่งเสียงจำนันจาเล็กน้อยไหมคะ ะะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างปอมิ่งค่ะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างปอมิงนะคะว่าปอมิ่งมาเป็นหัวหน้าพักนะคะเดิมทีก็นึกว่าตัวเองทําท่าเท่เ ท, ทไม่ค่อยมีข้อคาหานินทาแค่มาเป็นหัวหน้าพักให้ดิฉันเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็มีเลขาแบบดิฉันเข้าไปด้วยโด น, โดนสารพัดทุกชนิด แล้วก็ปากก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามสี่เดือนผ่านมาตั้งแต่เดือนอะไรนะคะที่เลือกตั้งกันน่ะมีนาจากมีนามาถึงเดือนนี้กี่เดือนแล้วคะมีนามีสาพฤษภามีธนากลละกัดาสี่เดือนกว่าค่อยมาสารภาพเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าโอ้รู้แล้วเหรว่าไอ้ที่เราทําแทบตายตอนเนี้ยเราต้องมาเรียนวิชาโลกการทำสี่ตัวหลังคือถูกนินทาเอออย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือนี่คือผลจากการที่ทํามาแทบตายนี่กระบวนการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิต ไม่ใช่แค่เรื่องของอะไรทั้งสิน้นกระบวนการทั้งหมดมันเกิดอะไรอาจารย์พิสิทธิ์เราที่บายอย่างนี้ได้ไหมคะสามารถอธิบายได้ไหมคะอย่างนี้ว่าการทําฐานงานแล้วสามารถอบอกกล่าวอะไรที่ได้มากกว่ายิ่งกว่าการที่ผลิตออกมาเป็น Product แต่เข้าสู่ขบวนการให้เห็นภาพว่าฐานงานก็คือสัมมาอาชีวะในมรรคองคปดและในสัมมาอาชีวะมรรคองแปดมันก็ต้องเกิดผัสสะจากการปฏิบททัติธรรมแล้วเมื่อเกิดผัสสะแล้วเราได้อะไรที่ ท, ทําแทบตายเนี่ยดิฉันก็รู้ตัวตั้งนั้นแล้วแหละ ว, ว่าท่านทำมาแทบตายฉันถูกด่าลายวันเลย าสารพัดด่าไม่รู้ขุดมาจากไหนเอาที่มาด่าด่าแล้วแบบไม่ต้องรู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ว่าโอ้นี่วิชาที่เราจะต้องสอบมา20กว่าปีเลยบอกเห็นป้ามิงมาบอกโอ้เพิ่งรู้สอบวิชาโลกกระทำดีบอกโอ้เด็กมากเลยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้ทดลองสอบไอ้ดิฉันต้องเจอวิชานี้มาตั้ง20กว่าปีอะไรประมาณเนี่ยดิฉันก็คุยขมเล็กน้อยอะไรประมาณเนี่ยเดิมทีเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นสงสารดิฉันมากเลยที่ต้องมาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยดิฉันบอกว่าตอนนี้อาจจะต้องคิดใหม่ว่าตกลงใครควรสงสารใคร อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นของแถมเล็กๆน้อยๆคือเอาเป็นอาเป็นว่าอะไรก็ได้ที่มันมากกว่าสิ่งที่เราผลิตที่มันเป็น Product อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะอธิบายให้คนอื่นเขาได้ฟังว่าในกระบวนการผลิตหรือฐานงานของเราแล้วได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งในเรื่องเรื่องของความรู้ในเรื่องของบูรณาการนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นเลยมากขึ้นเราน่าจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอาจจะเป็นพ่อเทคโนโลยีด้วยกระบวนท่าด้วยวิธีคิดด้วยสารพัดแม้กระทั่งกิเลสของเรรราาาาาาากก็มมีพััฒนนนนขึ้้อออยยย่งธิบไคจ์ นะคะนี่คือทั้งหมดในเรื่องของในเรื่องของฐานงานเชิญครับพี่ไบฟ้ามีคําถามพี่ไบฟ้ายกมือก่อนส่งกรุณาส่งมาค่ะสงสัยวิชาวันนี้ถ้าจะได้แต่คําถามเรามัง้ง <c oughs> ช้าเป็นหนึ่งกะทิก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเนี่ยไอ้นี่เรียนได้ทั้งชาตินะเนี่ยค่ะก็ขอขอาการจเจริญธรรมท่านครูแล้วก็เพื่อนนิสิตนะคะเรียนคิดว่า เท่าที่ฟังท่าอาจารย์พิสิณชี้แจงในเรื่องงานซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทใช่ไหมคะคือหนึ่งอะไรนะคะ3หัวข้อ3หัวข้อให้เลือกเอาหนึ่งให้เลือกเอาหนึ่งภายในระยะเวลาสองเดือนใช่ไหมคะถ้างั้นหัวข้อแรกก็คือ p a p e r w o r บหรือการเขียนรายงานธรรมดาธรรมดา ยังไม่ถึงขั้นรายงานเป็นแค่งานเขียนทำไมเป็นแค่งานเขียนแต่ทั้งหมดนี่คืองานกลุ่มใช่ไหมคะงานกลุ่มงานกลุ่มทั้ง3ประเภทที่เราจะมีงานเขียนอยู่11แผ่นเออสิบเอ็ดรายงานไม่ใช่รายงานจีเป็นงานเขียน11ชิ้นกลุ่มละชิ้นนะครับคือคืองานมันมีอยู่3อย่างให้เราเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึงนะคะคือแรกที่อาจารย์บอกว่า paper Work คือการเขียนรายงานนั่นอันนั้นรีพอร์อันนั้น คือเป็นมีเปเป r ปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเาเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเเปเปเปเปเปเปเปเปเเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเะเปปปเเปเเเปเปเเปเเปเปเปปเปเปเปเปเเปเปเปเปเปเเปเปเปเปอปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปะปันเปเปเปเปเปปเปเปเปรปเปเปเปเปเปเปเปเปีปปเเเเ ที่ไม่ใช่ธรรมดาแบบเมื่อกี้นะคะมีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนอันที่3ก็คือ thesis หรือวิทยานิพนธ์อันนี้ยากยิ่งนะคะเป็นเชิงงานวิจัยซึ่งอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าจะเขียนในตอนปี4ปีสุดท้ายของเรานะคะทีนี้เราจะอุ่นเครื่องการอุ่นเครื่องของเรานี่ก็คือการเขียนหรือ paperwork ใช่ไหมคะใช่ครับนะคะซึ่งเราจะรวมกลุ่มกันปรึกษาหารือกันว่าเราเขียน ผลงานกลุ่มเราเรื่องอะไรนะคะโดยอาจารย์บอกว่าเขียนประมาณ4 5ถึงแผ่นก็พอใช่ครับนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่กลุ่มจะเห็นสมควรคือระบุว่า3แผ่นสำหรับงานเขียนแล้วก็1ถึง2หน้าหนหน้าหน้าครึ่งนะไม่เกินสําสำหรับอธิบายกระบวนการของแต่ละคนเพราะแต่ละกลุ่มอาจจะใช้กระบวนการไม่เหมือนกัน ใช่ไหมเราอยากรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยท่านใช้กระบวนการแบบไหนค่ะททําให้ประสบความสําเร็จในงานเจียนที่ดีอย่างนี้ทั้งนั้นเราไปช้าชนะคะประมาณ3แผ่นนั้นเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่เราจะนําเสนอนะคะจากกลุ่มของเราแต่ว่าอีกแผ่นหรือแผ่นครึ่งหรือ2แผ่นคือกระบวนการเต็มที่ไม่เกิน2แผ่นเต็มที่ไม่เกิน2แผ่นคือกระบวนการกลุ่มว่าเรามีกระบวนการในการ ทำกลุ่มอย่างไรและได้มาซึ่งเนื้อหานี้อย่างไรใช่ใช่ตรงนี้นะคะอันนี้จบเลยใช่ไหมคะครับจบส่วนงานประเภทที่สองซึ่งบางคนอาจจะเลือกทําก็คือในเรื่องของ practice นะคะหรือการปฏิบัติในฐานงานใช่หมับไใช่อันนั้นมันหัวข้ออันนั้นหัวข้ออีกอ่านั่เป็นหัวข้อเอที่พูดนี่คืองานนะอันนี้ก็คืองานอคือตัวงานงานอาจจะเขียนอะไรก็ได้ในเชิงเนื้อหาธรรมะ ถามโพคอสย้ำอีกทีนะอันแรกคือของพ่อท่านเป็นเรื่องทฤษฎีตรงกับวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอันที่2เรื่องของการปฏิบัติใช่ไหมฮะเราก็โยงมาที่กลับมาิฐานรายงานนี่นะคะรายงานนี้เราจะเลือกเอาเนื้อหาธรรมะของในสามวิชาของพ่อท่านมาเขียนก็ได้แต่อันที่สองที่ practice ก็คือเอาประสบการณ์ที่เราทํางานในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เอาละสาวิชาของพวอครูเราไม่เอาแต่เราจะเอาประสบการณ์ที่เราได้แรกเปลียนเรียนรู้แล้วเราเลือกเอาประเด็นหนึ่งมาร่วมกันคิด ใช่นะคะและนําเสนอภายในห้าแผ่นเหมือนกันกระบวนการเดียวกันถูกต้องนะคะส่วนมหาวิชรามนาวาบุญยมนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งเป็นอีกหัวข้อหนึ่งในรายงานนี้ใช่ซึ่งมหาวิชรามนี้เป็นเชิงนามธรรมนามธรรมเราจะทําให้สู่เป็นรูปธรรมครับทีนี้คําว่ามหาวิชราวิชรานาวานุญยมขออนุญาตเนี่ยผมก็ทําตัวอย่างมาแล้วเพราะผมรู้ว่าเป็นนามธรรมอันนี้อยู่ในชิ้นที่สองนะครับผมจะทําแบบกว้างเอาไว้ แต่ว่าเวลาท่านทำํำท่านไหนทาส่วนใดส่วนหนึ่งมาอีกแต่ในแต่ละพันุ์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ทําเหมือนกับเป็นตัวตัวทางเลือกอะนะฮะ ว, ว่าท่านจะเอาเมนูไหนแล้วจะเจาะลงไปหรื อ, อยังไงเพราะมันเป็นชิ้นเล็กๆ ข, ข, ของเราทํางานีนึงเล็กล ๆ, ๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นทอันนี้อันนี้าจะเห็นว่าเรามองแบบองค์รวมเรามองกันยังไงเป็นตัวอย่างคือมองตอนนี้ก็ยังไม่ชัดก็เรียนถามเลยนะคะเพื่อความชัดเจนกับเพื่อนๆทุกคนนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะที่คําว่ามหาวิชรามนาวาบุญนิยมเนี่ย ซึ่งบอกว่าเป็นนามธรรมมันเป็นเรื่องราวที่เราจะเขียนเกี่ยวกับสถาบันของเรานว บ, บใช่หรือไม่ใช่ครับเช่นก่อตั้งอย่างไรมีทิศทางอย่างไรอยากต้องการให้เกิดอย่างไรประมาณนั้นหรือเปล่าคะอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องข้อมูล Data า <Data. S 1> คือเราต้องนึกว่าขนาดนี้เราก็จะนําเสอเนอสู่สังคมเนี่ยเราจะนำเสนอโดนรับภายใต้เวลาเอ่อเท่าไหร่ปกติก็เนีก็ให้เท่าไหร่หนาที2นาที3 น, นาทีใช่คะนะแล้วจะโดนผู้คนเนี่ย มันต้องคงไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นแปลว่าท่านสนใจแล้วท่านค่อยลงมาใช่ค่อยมาว่ามันมีประวัติอะไรอะไรอย่างนี้ถ้างั้นอาจารย์อภิสิทธิ์ลองยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมครับแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะไล่แต่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเนี่ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดกําลังจะถามอยู่ว่าเรามี2พาร์ทนะฮะพาร์ทหนึ่งคือพุทธบูรการศาสตร์คือตัววิชาเลยนะฮะเพื่อทําความเข้าใจนะครับไก่อันนึงคือตัวอย่างงานเนี่ยท่านอยากจะฟังอันไหนก่อนแต่ถ้า ถ้าถ้าถ้าเรารู้ยยถ้าเรารู้จกักตัวตัวหลักวิชามาแล้วเวลาเรามาลงในตัวอย่างมันอาจจะเกินก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าตรงนี้สนใจบอกโอ้ฉันอยากรู้ว่าฉันจะทําอะไรก่อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้เรื่องได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปตามลําดับมันอาจจะง่วงหน่อยเพราะว่ามันเป็นพูดเรื่องศาสตร์หรือเรื่องวิชานะครับแต่ว่าจะไปใช้มันก็จะชัดซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ใเราฟังจะ<อ>แบ่งคนละคลื่นนะครับ ค่ะถ้างั้นตอนนี้ประมาณนี้ก่อนลวกันเดี อ, อาจารย์จะ บ, บรรยายเพิ่ม ค, ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอื่ น, นท่านโมนาใช่หมดังนั้นพอท่านมีหัวข้ออย่างนี้เวลาท่านฟังนี้ท่านจะเริ่มแล้วว่าเอ๊ะท่านจะเอาตัวไหนเอามาใช้ในหัวข้อที่สมาธิจดจ่อจะเพิ่มขึ้น <laughs> ครับข้อาการ ที่ผมฟังทีแรกเนะ่เหมือนจะไปลงดวงจันทร์แล้วมันต้องมีเบือเบ้องต้นเบื้องต้นทางกลุ่มผมนะ่ไม่คิดยากคิดง่ายรู้จักกันได้ยังไงทำไมถึงมานั่งอยู่กลุ่มนี้เราจะไปทำอะไรดีกระบวนการกลุ่มมันเกิดได้ยังไงในกลุ่มของเราแค่นั้นเองก่อนส่วนเนื้อหาวิชาเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะบรรยายฟังว่ า, าควรจะเขียนอะไรบ้างสรุปสั้นๆกาเรียนไปแล้วได้อะไร พอจะตรงไหมครับตรงเลยครับตรงตรงมากเรียนไปแล้วได้อะไรเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราประกาศครับข้างนอกว่ากระบวนการกลุ่มเรา 70% ็ดอแล้ว 70% เราสามารถเริ่มได้ในลองคิดดูดิฮะไม่ถึงเดือนแรกอ่ะเราสามารถเริ่มมีการลงทุนอ๋อเราเก่งขนาดไหนลองนึกกอนนะพวกคนไทยเรามักจะเก่งคนเองแต่พอมาเข้ากลุ่มเมื่อไหร่แล้วเปล่ประสานงานเป็นประสานงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับ ดังนั้นสบายใจนะทีแรกก็ขบวนการกลุ่มในกลุ่มของเรานั่นแหละก็ได้ตกลงกันไว้เบื้องต้นไม่ใช่หรือว่าให้หัวหน้ากลุ่มเป็นคนรวบรวมก็มาจากสมาชิกของกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ได้จํากัดมาเป็นลงฐานงานใดฐานงานหนึ่งจะ ก, กระจายไปเลยก็ได้แต่มารายงานที่หัวหน้ากลุ่มเพื่อหัวหน้ากลุ่มจะได้สรุปว่าความแตกต่างแปลกแยกหรือว่าหลากหลายเนี่ยสามารถรวมเป็นกลุ่มหนึ่งเดียวได้ ก็คือตัวเนื้อหาที่จะลงไปเร า, เราได้อะไรจากการมาเรียนมหาวิชาลามครับถูกแค่นั้นเองนะฮะ ไ, ไม่ต้องหนักใจอะไรมากสรุปสรุป<ม>คำคำของพ่อท่านนะพ่อท่านจะมีพูด uh, diversity of unity นะครับวันนี้เรากําลังทําความหลากหลายของพวกเราและยังไม่ใช่ of Unity เพราะเรายังไม่ถึง Unity <Okay. S 1> เราจะบอก diversity for unity <laughs> เราจะเริ่มทําความหลากหลายไปให้เป็น อยู่หนึ่งเดียวยูนิตี้คือเอกภาพของเราแต่ตอนนี้เริ่มเอกภาพระดับกลุ่มก่อนกลุ่มของท่านนะครับเริ่มเริ่มแล้วมันจะเนียนเข้าเนียนเข้าไปเรื่อยๆดีไหมครับใครเห็นเม่อดีช่วยยกมือหน่อยครับโอ้เอกแทบจะเอกฉันเลยนะ <c oughs> ครับถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะได้เข้าตัวนะฮะเนื้อหาความรู้กันนะครับตัวลงเอาแบบแบบไหนครับแบบตามลําดับนะเอาแบบศาสตร์มาก่อนแล้วก็ค่อยไปประยุกต์ามาวิชาลามเหมือนเปรียบการประยุกต์ใช้ตัวศาสตร์นะครับ ในแผ่นแรกของเรานะครับนะฮะคือคือคือขอขอขยายเป็นภาพเดียวเลยนะฮะมามาวิชาลามาันนะอ่าโอเคตัวนี้มันจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8ามี่ห้า็ดดนะครับตัวที่หนึ่งจะเป็นภาพรวมนะครับขยายต่อจากที่ท่านรับทราบ ม, มาจากภาพรวมที่แล้วนะครับแล้วแล้วแล้วเจาะลงมาเป็นพุทธบูรการศาสตร์นะครับ เราเ็จแล้วผอนวยการารเนี่ยก็จะแสดงไปลำดับไปเรื่อยๆนะฮะตามลำดับใหญ่ๆนะฮะไปเรื่องถึงวิชาหลักของเรานะครับไปถึงการทำงานในองรวมในแผ่นที่สามนะครับเสร็จแล้วพอถึงแผ่นที่3ามเสร็จเราจะพูดถึงว่าเราจะนำสู่สังคมเนี่ยเราจะมีกระบวนการเชื่อมสู่สังคม3สเตปด้วยกันนะครับสามสเตปยึดหมายว่าสาภาพนะฮะด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะ แล้วสุดท้ายเราก็จะมาพิสูจน์ว่าด้วยหลักธรรมในแผ่นที่หนึ่งสาีห้าแผ่นที่ห้านะฮะหลักธรรมอะไรที่จะนําไปสู่โลกุตละในฐานะที่เราสามารถนําสู่สังคมได้ด้วยนะครับในแผ่นที่6แล้วแผ่นที่เจก็จะกลับมาขยายหรือว่ากลับมาคอนเฟิร์มในสิ่งที่จะเป็นเกี่ยวข้องกับงานเขียนที่เราพูดกันไปแล้วนะครับว่าเราควรจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะมันจะสอดคล้องกับมันถึงถึงงานเขียนนะพะมันถึงงานเขียนเราก็จะมีตัว ตัวงานที่ให้มาทดลองนะฮะทดลองเริ่มนะฮะโอเคถ้าถ้าเราเข้าใจภาพรวมงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปในแต่ละหน้ากันนะครับพอเข้าใจนะว่าแต่ละหน้าแต่ละลำดับไปเป็นลําดับไปเป็นยังไงนะครับอันนี้หน้าแรกเลยนะครับก็คือถ้าเห็นภาพไม่ชัดเห็นตามจอไม่ชัดก็ช่วยดูที่ตัวเอกสารของท่านด้วยนะฮะอันนี้คือประโยชน์ที่ว่าบางครั้งคนที่อยู่ข้างหลังมองเห็นจอไม่ค่อยถนดัดแล้วแต่เห็นการเห็นที่กระดาษ เห็นเท่ากันนะครับทุกคนได้รับรู้เท่ากันนะครับอันแรกเนี่ยถ้าท่านจะสังเกตว่ามีคำว่าพุทธบุรณาการศาสตร์นะครับอันเนี้ยเป็นคำใหม่นะเป็นคำที่เราเกิดขึ้นสำหรับบนาบจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีสองคำนะครับก็คือเรื่องพุทธวิชานะครับกับคำว่าพัฒนาบุรณาการศาสตร์พุทธวิชานี่เป็นเรื่องของอาศก นะครับส่วนพัฒนาบริการศาสตร์นะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของศาสตร์ของตะวันตกเป็นสากลนะครับเพราะฉะนั้นสองส่วนเนี้ยถ้ามาประกอบเสริมกันและกันนะครับก็จะทำให้เราสามารถส่งผ่านความรู้พุทธวิชาออกสู่สากลได้ง่ายขึ้นเพราะว่าระบบการเรียนรู้ของสากลภายใต้พัฒนาบริการศาสตร์เนี่ยมันมีมากขึ้นทุกวันนะครับ มันมีเรื่องที่เป็นเรื่องอนักวิทยาศาสต์นะครับผู้ได้รับรางวัลโนเบลอะไรต่างๆเหล่านี้นับพันนะครับเขาเขาก็เขาก็เข้าใจในชุดความรู้วันนี้ชุดความรู้วันนี้มีมาประมาณสิบนับเป็นสิปีละนะครับที่เป็นเหมือนว่าเป็นที่ยอมรับที่รู้แต่คนที่เป็นลีดเดอร์หรือเป็นผู้นาทํามาตั้งแต่สมัยอายุยี่สิกว่านะสมัยปีประมาณสักปีปช่วงประมาณ 80บวกลบแถวนั้นนะครับก็เริ่มมีความรู้อย่างนี้มาแล้วถ้าใครไปอ่านจิตกับจักรวาลของอท่านประสานต่างใจนะฮะก็จะมีการพูดถึงนะฮะสำนักคิดอันนี้คือคุณคือคุณเคนบิวเบอร์นะครับซึ่งเป็นแนวคิดบูรณาการของตะวันตกแต่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มแต่พอพัฒนาตอนหลังแล้วก็เป็นเป็ น, ปนศาสตร์เป็นอะไรกันยอมรับงั้นตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกันนะไปเชื่อมกันด้วยด้วยอย่างไรนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนี้เราย้อนกลับมาที่ตัวพุทธวิชาที่ท่านฟังเมื่อตอนเป็นภาพรวมท่านรู้สึกว่าซับซ้อนใช่ไหมครับมีหลายแผ่นถูกหัหยฮะหลายแผ่นเลยซึ่งตั้งแต่เรานำเอาเรื่องไตรสิกขานะมาสัมพันธ์กับทานศินภาวนาในแนวนอนนะครับแล้วก็มีความลึกเข้าไปนะฮะเรียงตีชั้นตามโครงสร้างของอริยสัจสนะครับคือแผ่นแรกเน้นในเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นพ ร, ร้อมกับปัญหา ปีที่2จะเน้นว่าท่านแก้ปัญหามาแล้วในปีหนึ่งยังไงแต่จะเจาะลึกเข้าไปถึงจิตใจจะไปพัฒนาเริ่มอันแรกเนี่ยคือเหมือนกับ แ, แก้สภาพแวดล้อมทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วปีสองเขาก็จะไปแก้ในระดับความรู้ความลึกในทางจิตใจเราต้องรู้ถึงสมุดไทยสมุดฐานว่ากันเป็นตั ว, ต, วตามของผู้เจ้าท่านว่าอะไรไว้นะครับพอปีที่สมปุ๊บเราก็จะมาพูดถึงว่าไอ้ที่ท่านเรียนมาทั้งปีแล้วก็ปรับแก้กันไปเนี่ยบรรลุผล ในเก้าตัวของผู้เจ้าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็คือวิปัสสัญญาเก้านี่ผมพูดย่อๆนะฮะต้องถือว่าท่านได้ฟังมากรอบแล้วนะครับตรงนั้นสําหรับท่านไหนที่ไม่เคยฟังก็ต้องต้องพึ่งขบวนการกลุ่มหน่อยนะครับท่านก็มีมีตัวเอกสารแล้วก็ตัวกลุ่มที่มาศึกษากันนะครับพอปีที่สี่ปุ๊บท่านก็จะเป็นตัวรวมละปีหนึ่งสองสามสี่ออกมาเป็นมนุษย์พัฒนาวันเก้านะครับด้วยผลงานที่เป็นวิทยผลนะฮะ อย่างไรพอพอนึกออกมหมเพราะตรงนั้นสังคมจะสัมผัสได้ว่าที่ท่านเตรียมกันมาฝึกฝนกันมาสร้างคุณธรรมเป็นคุณนิทิจนเกิดเป็นคุณราศีประกาศความเป็นมนุษย์พัฒนาวนะันละเก้าท่านจะประกาศได้ยกชั้นไหมหรือจะประกาศมาได้สักเจ็ดสิเปอร์เซ็นตหรือประกาศมาได้สาสิเปอร์เซ็นตหรือจบได้แค่สิบเปอร์เซ็นหรือผ่านมาถึงผ่านนะจบะคงจบอ ะ, บอะแต่ว่าจบแบบกล้าประกาศได้ไหมว่าฉันจะถึงขั้นไม่เปลี่ยนกลับไม่เวียนกลับหละนะ เป็น transformation เป็นมนุษย์พัฒนาแล้วนะครับไม่เวียนกลับในเรื่องอะไรบ้างก็คือสมาอาชีวะใช่ไหมครับสมมาอาชีวะอย่างน้อย2ระดับท่านต้องไม่ไม่ไม่กลับไปกรวกเกลอกกัวก็คือกุหนาคือเรียกว่าหยาบช้าแบบไปจนถึงโกงกินบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือรับปนานี่ก็เรียกว่าล่อลวงต่างๆนะครับแล้วท่านจะอยู่ก็คือเพราะท่านฐานโสดาบันให้อยู่ในระดับสนะครับ ภาษาบาลีหน่อยเนมิจกัจกตานะครับพอทิ้ออกนะฮะสูงกว่านี้ไม่ว่านะสูงกว่านี้การศึกษานี้ทําให้ท่านอยู่สูงกว่านี้ได้นะครับก็คือข้อสี่นี่เป็นสิกต า, กตาภาษาไทยด้วย่อค์อรอเราหน้าจะถึงไหมองค์กรเรานี้มันมมให้อยู่แล้วนะแต่เราจัดคุณธรรมเราเข้าสู่ระดับมาตรฐานอันนี้เราก็สามาสนี่ไม่น่าจะยากเกินนะครับ นะ ถ, ถ้าถึงค่าหา้าโดยยิ่ ง, งก็ยิ่งดีแต่ว่าตรงเนี้ยเราพูดกันตรงนี้เราค่อนข้างถ่อมตัวกับสังคมเล็กน้อยนะครับบางครั้งเราเจิดจ้าราศีเกินไปบางทีมันก็แสบตานะครเราเอาเอ า, เอาประมาณพอเหมาะพอสมว่าโอ้แค่แค่คุณสามารถสร้างคนที่ไม่โกงไม่กุหนาะเนี่ยนะไม่คอร์รัปชันอะไรเนี่ยแค่นี้เขาก็สังคมก็ตะลึงแล้วนะพเพราะก็ วันนั้นผมฟังจากท่านนราธิปนะะท่านบอกไปสัมภาษณ์นักการเมืองบางท่านขออนุญาตไม่เอ่ยนามครับขอบคุณครับเขาถามกลับนะเขาถามว่ามาเห็นด้วยไหมกับการส่งเสริมการทำเยาธรรมท่านถามกลับบอกว่าคุณเชื่อหรือว่ากิเลสเนี่ยมันเอาชนะได้อนักการเมืองนะพูดเลยคุณเชื่อจริงๆเหรอว่ากิเลสนี่เอาชนะได้หรือความหมายนี้ก็คือคุณทำเยาธรรมน่ยมันทําได้โอ้นี่ไปเป็นระดับคอรมอนะ ไม่ใช่ผู้นําประเทศนะไม่ใช่คนนะในมีใ น, ม, ในมาพูดอนยะ่างแล้วว่ากันเนี่ยมันเข้าไปขนาดไหนในระบบการศึกษาวันนี้เราจะมีการศึกษาที่เป็นระบบเนี่ยอันนี้จะเป็นระบบส่งเข้าไปในระบบการศึกษาว่าเราสามารถทําได้จริงหรือไม่จริงพวกท่านคือบุคคลเหล่านั้นนี <c oughs> ่ออกนะฮะภารกิจที่ยิ่งใหญ่อยู่บนไหล่ของพวกท่านนะครับโอเคนะฮะก็กลับมาต่อ นะครับเมื่อเมื่อเมื่อเรามีภาพรวมแล้วนะครับตัวมาทางขวานะครับของพุทธวิชาและตัวบนซึ่งอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะฮะเป็นแมทริกซ์สี่ชั้นลึกเข้าไปอันนี้จะเป็นแนวเชิงของเกลียวหมุนแบบเข้าหาศูนย์กลางอันนี้คือเป็นเชิงปฏิโซดหรือปฏิโซตังคือสันเลขข็กะ และ้นมันจะมีเกรียวที่เล็กลงเล็กลงกิเลสออกไปมากเท่าไหร่เราก็ขึ้นเกลียวเล็กลงขึ้นไปเท่านั้นนะครับงั้นผลตัวเนี้ยจะมีกราฟิกมาคอยกํากับหรือคอยดูวัดว่าเราเข้าเล็กลงไปเรื่อยๆเท่าไหร่นะครับตรงนั้นเนี่ก็จะมีอีกอันนึงเรื่องทานศีภาวนาหรือเรื่องของตัวที่เราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของมัรคในองค์แปดคือกระบวนการกลุ่มของเราเนี่ยครับเอื้อเกื้อว้างอันเนี้ยนะฮะที่มีทานศีภาวนาแล้วก็มีหลักเจริญขึ้นเหมือนกันนะฮะ ใช้หลักสี่ทาร์นคือมายว่าท่านมีการก้าวผ่านอย่างไรนะครับเอาทานแรกเลยปีหนึ่งเนี้ยทานแรกก็คือฟรานราเชเนทุกอย่างเราไม่ได้ปดิเศตราเชเนลคือเหตุผลนะฮะเหตุผลมีเหตุผลตรกกะมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้แต่เราจะก้าวข้ามระดับแค่เหตุผลเฉยๆเหตุผลอยู่ตรงไหนเหตุผลอยู่ตรงที่ทฤษฎีระบบคุณมีอินพุตอย่างนี้คุณมีโปรเซสกระบวนการอย่างนี้คุณย่อมได้ผลอย่างนี้โดยตรกกะจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถูกไหมฮะ แต่ทีนี้มันจะมีตัวมากกว่านั้นแหละทรานซ์ือก้าวข้ามผ่านข้อจํากัดอย่างงั้นเพราะฉะนั้นทฤษฎีแบบสมัยยุคสมัยใหม่โมเดิร์นแบบแมกโดนัลเนี่ยเขาก็เขาก็ใส่อยู่บนหลักเนี่ยเขาถึงบอกเขาจะส่งไปสู่ประเทศต่างๆแล้วก็ทําคัมภีร์คู่มือเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็นั่งท่องเป็นหน้าๆกันแล้วก็ตั้งเป็นผู้จัดการสาขามาคุมแต่ละสาขาจะต้องเข้มในระเบียบเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือ Input Proces สเอาต์พนั่นเอง แล้วเพื่อให้ได้มาตรฐานของตัว Product หรือตัว output ของเขาให้เป็นเลิศ น, นี่เขาก็ทําอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ของเราเนี่ยเราเน้นอยู่ที่ตัวโ Product ์หรือเปล่าหรือว่าเราเน้นไปกว่านั้นนะครับก็คือตัวจริงที่ผลขึ้นมาคือการพัฒนาจิตวิญญาณของเรานั่นคือเอาคัมเอาคัมคือสิ่งที่ตามมาเราไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุถูกไหมฮะเพราะท่านก็เคยพูดให้ผมฟังว่าตัวฐานงานน่ยจริงๆก็คือตัวบายโปรดักตัวจริงๆอ่ะคือเรา พัฒนายกระดับจิตวิญญาณเราหรือเปล่าแล้วนะกลับกับข้างนอกเลยนะข้างนอกนี่คือเน้นใช่ไหมเน้นตัวผลงานวัดกันที่คุณเท่าไร่เท่าไรเพิ่มเท่าไรใช่ไหมยอดขายเท่าไหร่หรือคุณภาพของคุณเท่าไร่ลดต้นทุนเท่าไร่อะไรยังไงแล้วเรื่องจิตวิญญาณคุณก็เป็นเรื่องส่วนตัวมันเรื่องมันเห็นเลยว่าอันนึงใหญ่อันหนึ่งเล็กแต่ของเราเนี่ยพ่อท่านบอกพัฒนาจิตวิญญาณลดละได้เรื่องใหญ่ผลงานได้ไม่ได้เป็นเรื่องบายโปรดักต์ใช้คํานี้เลยนะบายโป duct ์ product. นงะั้น บางทีจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเป้าหมายที่เรามาเรียนตัวนี้เพราะท่านกำลังนำเสนออะไรสู่สังคมนะครับอันนี้ถ้าเราเสนออย่างนี้เท่ากับเรา trans rational trans rational นี่หมายว่า rational ของสังคมถูกไมฮะการที่สังคมแบบมีแมคโดนัลล์นี่ถือเป็น rational ของเขานะเขาถือว่าเป็นความสมเร็จครับอ๋อร ational แปลว่ามีมีเหตุมีผลมีตรร ก, กะนะ นั้นในตักกะของสังคมเนี่ยก็คือเอาความสําเร็จแบบนี้เป็นระบบของทางทฤษฎีระบบนะฮะก็คือมีตัวนําเข้ามีกระบวนการแล้วมีตัวผลสําเร็จหรือเอาพุทธพวกนี้อย่างตัวนี้แมกโดนัลเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นตัวตัวจําลองได้เลยเราไม่ได้เอาเข้ามานั่นน ะ, ะเอามาเป็นตัวอย่างศึกษาว่าเนี่ยคือตัวอย่างที่พูดได้ชัดว่าทฤษฎีระบบนําความสําเร็จมาสู่การพัฒนาอาชีพอะไรกันยังไงแต่ของเราสัมมาอาชีพของเราหรือสัมมาอาชีวะ ข, ของเราไปไกลกว่า นั้นนะครับเราต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการวิเคราะห์เชิงระบบนะฮะที่เรียกว่า Systematic Analysis นะครับตรงนั้นซึ่งก็คือมีตัวสิ่งที่ตามมาแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเริ่มเขียน ง, งานเขียนต่างๆเหล่านี้เราจึงต้องขยายมาจากสิ่งที่เราทาจากฐานงาน เ, าเพิ่มมาอีกสองตัวนะครับ แล้วตัวสุดท้ายก็ไม่ยากจริงๆเพิ่มตัวที่สแล้วตัวสุดท้ายก็เราพยายามจะทํำยังไงนําสู่เสนอสู่สังคมให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับแค่นี้เองนะฮะอันนี้จะโยงไปสู่สู่งานเขียนของเรานะครับทีนี้ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการพัฒนาแบบเปิดกว้างนะครคือปลปลายวยเปิดกว้างเมื่อก่อนนี้เราจะมองในลักษณะที่ว่าถ้าเราหมุนออก กว้างเมื่อไหร่เป็นเรื่องของโลกีโลกียะใช่ไหมครับแต่วันนี้เราหมุนออกกว้างแบบช่วยโลกียะนะฮะเป็นโลกานุกรรมปลายะเพราะฉะนั้นมั น, ม, น, ม, นมันเหนือชั้นนะนะตอนเหนือชั้นนี่คือโลกวิทูแต่ตอนที่ท่านจะเอาไปช่วยได้ไหมมันเป็นโลกาณุกรรมปลายะนะครับนะฉะนั้นงานเขียนเราก็จะสัมพันธ์ทั้งสองส่วนคือมีส่วนที่เราลดละยังไงและส่วนที่จะเอื้อกว้างกับเขายัางไงนะครับ ทีนี้เราก็พูดกันมาแล้วในภาพรวมเราก็จะจะพูดกันไปตั้งหลายแผ่นตรงนั้นก็เพียงแค่นี้นะครับทีนี้ถัดมาเราจะเริ่มมาเชื่อมกับทางตะวันตกละเพราะตอนที่เราบอกว่าเราจะนำเสนอสู่สังคมเนี่ยถ้าเรานำเสนอออกไปแบบว่าเราเป็นอะไรยังไงท่านคิดว่าในเชิงระบบการศึกษาจะรับรู้เร า, าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นโมเดลอโศกเี่ยได้ไหม แต่ถ้าท่านนําเสนอแบบที่มีหลักสากลเขาหลักการศึกษาหลักการวิจัยหลักการนําเสนอสอดคล้องเอออันนี้เขาก็ยอมรับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ใช่ไหมฮะโมเดลโศกก็ถูกยอมรับเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นเชิงเล่าว่าท่านมีอะไรมายัางไงไงเขาก็รับรู้เหมือนกันรับรู้ในเชิงว่ามีกระบวนการขับเคลื่อนของอโศกอยู่ในปีนั้นถึงปีนั้นปีนี้ถึงปีนี้แต่กระบวนอโศกจะ เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นระบบเนี่ยเขาจะรับเราได้ได้ทางช่องทางไหนเรานึกภาพออกไหมถูกไมฮะนอกจากเป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมเช่นอาไปขออนุ ญ, ญาตเอนะ็นน้ำไปถื้อจี้ไปกลุ่มนูนกลุ่มนี้อีกหลายชื่อนะฮะมีกลุ่มเยอะแยะเลยเป็นเป็นฐานข้อมูลเท่านั้นเอง แต่จะนําจูระบบการศึกษาของสังคมเนี่ยมันจะมีสะพานหรือมีเอทะมันจะมีช่องว่างที่เราต้องต้องต้องเติมนะฮะต้องทำต้องต้องทำตัวนี้ให้เห็นให้ชัดเจนจริงไหมครับจริงไหมงั้นการศึกษาอย่างเป็นระบบยังไม่เขายังไม่เห็นจากอโศกนะแล้วทั้งหมดมันก็จะอยู่ที่พวกท่านนี่แหละจะนําออกมาให้เห็นไหมถูกไหมฮะเพราะการศึกษาอย่างเป็นระบบมันต้องมีตัวผลของการศึกษานั้นก็คือนักศึกษานั่นเองถูกไหมฮะ ถ้าเรามีการศึกษาที่เป็นแค่เราบอกว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคไอเดียดีนะครับคอนเซปต์ดีแต่แล้วไงอ่ะมันไม่มีหลักฐานใช่ไมครัพวกท่านคือหลักฐานนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการระบบอย่างนี้คือหลักฐานสู่สังคมเมื่อมีอย่างนี้รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นได้การรับเข้าสู่ระบบการศึกษาของสังคมมันก็มีน้าหนักจริงไหมครับอ่า งั้นหัวเจาะแรกก็หนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าท่านทําแล้วแล้วพอรุ่นต่อมามาเนี่ยอ๋อเขาเจออย่างนี้ เ, เจออย่างนี้เหรอโอ้เราเรากว่าจะเข้าใจเป็นเดือนเขาอ่านอยู่สองสามวันเขาก็รู้แล้วต้องเจออะไรบ้างนี่คือการย่นมิติเวลาให้กับคนจํานวนเป็นร้อยในรุ่นต่อๆไปอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่าเข้ามาก็เห็นมาแล้วตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเขาเรียนกันอย่างนี้ทํากันอย่างนี้ถูกไหมฮะโอ้ท่านก็ย่นมิติเวลาวันนี้ไปเป็นปีๆเป็นวันๆเป็นเดือนๆ เยอะเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เราเข้าใจแล้วตรงนี้เราจะจะจะที่เมื่อกี้ระท่านก็บอกว่าเราก็ต้องใจดีๆสู้ๆตรงนี้นะครับทีนี้ถัดมานะครับจะพูดถึงทางตะวันตกในเชิงโครงสร้างเล็กน้อยนะครับมุมขวาล่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ศึกษานะฮะศึกษาเป็นเยอะเลยนะครับพอดีมีเป็นเล่มพอดีผมลืมหยิบมาอยู่ในกระเป๋า เป็นเล่มของตะวันตกเลยนะฮะเขาชื่อว่า i n t e v i a l Spirituality นะฮะ Spirituality ก็คื อ, อการมองจิตวิญญาณแบบบูรณาการนะฮะองรวมและบูรณาการอย่างไรแต่ว่าในหลักการแล้วคือการพัฒนายกระดับขึ้นมาเนี่ยคือเขาถือว่าถ้าเรามองเล็กๆนะครับมองเล็กๆ ก, กับตัวเราเนี่ยเราก็เหมือนกับข้างล่างนะครับตัวล่างแล้วเราก็เริ่มมองมากขึ้นเมื่อ ม, มองให้กับสังคมมองให้กับพี่น้องแล้วพอเราโตขึ้นทํางานแล้วก็เริ่มมองให้กับองคอ์กรนะฮะ องค์กรเราต่อไปเราก็ทํางานสังคมใหญ่ขึ้นก็เป็นสังคมโครงสร้างสถาบันหรือประเทศชาตินะครับกระทรวงอะไรต่างๆไล่โตเป็นรัฐบาลหรือเป็นอะไรก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็มองว่าสิ่งที่กว้างขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการ์อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไปอยู่กับครอบครัวเราก็จะยึดถือครอบครัวมากกว่าองค์กรอันนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่า L1 แล้วมันก็ต้ององค์กรนั้นก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะ ความสาเร็จขององค์กรก็คือความสเร็จคุณนะเอาก็เกิดการยกระดับเปิดลดลดอะไรฮะลดเสียสละในระดับครอบครัวเราให้กับ ง, งานขององค์กรมากขึ้นนะครับเช่นใช้เวลามากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาครอบครัวน้อยลงอะไรประมาณอย่างนี้เขาก็ถือว่าพัฒนาเอาหนึ่งขึ้นมานะครับอยู่ทางขวามือนะครับพอยกมาที่ขวามือเสร็จมันก็จะเกิดเข้าไปพัฒนาต่อไปนะฮะอันนี้แบบตะวนตกนะฮะ เราก็เข้าไปทํางานพอเราก็ทำงานเริ่มยังไงเริ่มก่อสิ่งที่ทําให้เกิดฐานอํานาจตําแหน่งใช่ไหมฮะฐานหน้าตําแหน่งของเรามีหมู่กลุ่มมีวานของเราเริ่มมีฝ่ายต่างๆอะไรต่างๆเป็นกลุ่มเล็กในองค์กรใช่ไหมก็ต้องก็ต้องขยายไปทั้งอีกว่าเข้าใจว่าความเจริญองค์กรนมันเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต้องสัมพันธ์กันนะต้องเกื้อกูลกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พัฒนาไปอย่างนี้อ้าวสูงขึ้นไปอีกสมมติว่าเป็นเรื่องของกระทรวง ะะระดับรัฐหรือว่าระดับหน่วยงานในกระทรวงก็จะเกิดลักษณะแบบนี้มันก็จะเกาะมาจากกลุ่มของตัวเองแล้วก็ต้องขยายไปเป็นมิชชันขององค์กรหรือกระทรวงที่ใหญ่ อ, องค์กรที่ใหญ่ขึ้นคือกระทรวงนี้เป็นต้นแล้วก็เข้าไปสู่ในระดับรัฐบาลอีกอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นวงอย่างนี้นะเขาก็พัฒนาพยายามพัฒนาออกมาให้เห็นความสําคัญตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆชุดความรู้พวกนี้ก็ถูกศึกษามาว่าควรจะยกระดับจิตสํานึกขึ้นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการยกระดับจิตสํานึกเนี่ย 10ระดับด้วยกันนะครั บ, บระดับตอนแรกเริ่มด้วย7แล้วตอนหลังก็พันลาละเอียดเพิ่มเป็น10นะครับอันนี้ก็มาติ่งไว้ตรงหัวข้อปลายนิดหนึ่งนะครับว่าจากการที่เห็นแก่ตนหรือมีเซลฟ์เนี่ยนะครับเอามาเป็นปลดปล่อยตนเรียกว่า less cell หรือมีตัวเองน้อยลงนะครับหรือ no ซ e l l ในที่สุดตรงนี้นะฮะมันก็เข้าหลักเดียวกับสิ่งที่พระท่านสอนเรื่องความรัก10มิติใช่ อยู่ในรูปรอยคล้ายกันนะแต่ไม่ได้บอกว่าระดับเท่ากันนะแต่ว่าคอนเซปต์คือแนวคิดเนี่ยมันมันก็คือรักษาเดียวกันเราต้องออกออกออกมาเลยก็คือเราออกมาทางขวาออกมาเรื่อยๆถูกไหมฮะเราก็เห็นแล้วนะว่าเราเริ่มสามารถสัมพันธ์กับชุดความรู้ตะวันตกได้นะฮะในชุดความรู้ของอโศกเองผมอยากจะเริ่มด้วยชุดความรู้ของอโศกว่าอาโศกเป็นยังไงแล้วเราเลือกส่วนที่เป็นตะวันตกเนี่ยเอามาเชื่อมในส่วนที่แมทช์กันได้ส่วนที่เชื่อมกันได้เราจะไม่เริ่มแบบทั่วไปที่ไปเอาที่ตะวันตกมา ทฤษฎีตะวันตกมาแล้วก็มานั่งเรียนเรียนเรียนย น, นั่งจําๆๆเสร็ จ, <ำ>จ<ำ>แล้วเราก็พยายามปรับตัวเราให้เข้ากับทฤษฎีนั้นไม่ใช่เราจะบอกว่าตัวเราคื อ, อยังไงถูกไหมฮะเพราะอโศกเรามีมาตั้ง40ปีแล้ว40ปีแล้วนะฮะทฤษฎีตะวันตกอันนี้พัฒนามาจริงๆอย่างจางก็10บกว่า20ปีเองแต่ว่ามันมีผลในการรับรู้ของสากลแต่ถ้าเราเชื่อมกันในหลักเดียวกันมันก็เสริมกันจริงไหมฮะแต่เ้าเองเขาก็จะไม่มีส่วนรายละเอียดนะเขาไม่มีส่วนไหนนึกออกไหมครับ น, นึกภาพออกไหมเขาไม่มีส่วนที่เป็นเกลียวแหลมเล็กขึ้นไปเรื่อยๆนะพุทธวิชาเนี่ยเขาจะไม่มีเขามีรู้แต่ว่าหลักพุทธธรรมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปสู่วิชาเป็นพุทธวิชาเข้าไปเล็กลงเล็กลงยังไงเขารู้ในคอนเซปต์นะฮะ ร, รู้ก่อนคิดว่าจะไปแต่ว่าหลักตัวจริงๆปฏิบัติจริงเขาไม่รู้ฮะไม่ถึงไม่ถึงอันนี้แน่นอนเพราะท่านก็เพราะท่านก็ก็บอกเหมือนกันว่าเขาก็ไม่ถึงนะครับตัวนี้แต่ที่ไม่ถึงไม่ใช่ว่าเรา เราดูถูกหรืออะไรไม่ใช่นะแต่ให้รู้ว่าเนี่ยการศึกษาแม้เป็นระบบแล้วก็ตามมันไม่ได้ไม่ได้การันตีนะไม่ได้รับประกันนะว่าเราจะพัฒนาจิตวิญญาณลึกซึ้งได้หรือเปล่านะฮโศกเรามีการศึกษาแน่นอนใช่ไห ม, ไมถ้าเราพัฒนาต่ อ, อยอดให้นิดนึงว่าเป็นการศึกษาที่เป็นระบบมันก็สามารถไปเชื่อมกับระบบการศึกษาใช่เร า, า, านํเานเสนอไงเรานําเสนอการการลดละทางจิตวิญญาณเรา ให้เป็นระบบนะฮะทำให้เป็นระบบนําเสนอแบบเป็นระบบได้เราก็จะไปเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราว่าทําไมเราต้องมีวอลบอรกันขึ้นมาถูกไหมไม่งั้นก็ไม่จําเป็นเราก็อยู่ของเราอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าเราไม่ต้องการไปเชื่อมอกับข้างนอกถูกไหมครับเราก็จเจริญของเราเราไม่มีตรงนี้เราก็จเจริญอยู่นะฮะเราก็จเจริญอยู่แต่การเอื้อกับสังคมที่ฝรั่งเรียกว่า contribue ให้สังคมอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหม ในเมื่อสามารถสร้างจิตวิ ญ, ญญาณคนใ ห, ให้ขึ้นมาได้แล้วทําไมต้องถูกจํากัดด้วยแค่จํานวนแค่นี้ล่ะสังคมก็สามารถตั้งคําถามกลับมาได้ใช่ไหมทำไมทำไมความสําเร็จมันอยู่แค่คนจํานวนนับร้อยนับพันแค่นี้อทั้งโลกมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรออ ย, อยู่ถูกไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่เราประโยชน์คุณอุปการที่เลยเกิดขึ้นที่เรียกภาษาอังกฤษเรีวยว่าอิมแพ็นะครับคือผลกระทบคือผลประโยชน์ที่ตามมา ถ, ถ้าได้จริงๆก็ดีจริงไหมยิ่งดีใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือการวิเคราะห์เชิงระบบนะฮะว่าเราจะทำทำอย่างเงี้ไปถึงตัวสุดท้ายนะครับให้เกิดผลกระทบเป็นความเจริญอย่างอย่างอย่างอย่างได้จริงอะ่ะไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรนะยูโทเ ป, ปียหรือแนวคิดแค่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่อุดมการณ์แต่เป็นจริงได้ให้กับสังคมได้นะครับยิ่งใหญ่ไหมใครเห็นว่ายิ่งใหญ่หหหญช่วยยกมือหน่อย ท่านกำลังบอกตัวท่านเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะท่านรับเราตัวเองนะท่านยกเองนะผมไม่ได้ยกครับเพราะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะฮะงั้นมึนๆเมาๆบ้างนะฮะท่านสาธิตก็ก็ก็ว่ากันไปก็เมื่อกี้เย้ากันนะเมื่อกี้เย้ากันว่าท่านบอกสงสัยจะต้องเรียนกันหัวผุผมบอกอย่าเพิ่งผุเลยเอาแค่พรุนก็พอเพราะหัวพรุนเนี่ยมันเหมือนฟองน้ำมันซึมซับดีนะ ถ้าหัวพรุนแบบฟองน้ำดูดซับได้ดีแล้ก็เราก็จะได้ประโยชน์เอาไปใช้นะครับก็พูดเล่นนิดหนึ่งฮะก็ผ่านผ่านหน้านี้ไปนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาเรื่องตัววิชาแล้วนะท่านนึกออกใช่ไหมภาพเดิมนะครับที่เรามี 30% เอร์ซนสสิเอร์ซนต์ะครับที่เชื่อมโยงกับความรู้ทางโลกทางเทคโนโลยีนะครับในเรื่องอความรู้ทางสภาพแวดล้อมนะทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ มีระดับคุณธรรมระดับการยาณชนนะครับอยากให้อยากให้สังคมดีมีสมดุลมีอะไรนะครับแต่ไม่ถึงกับลดละกิเลสของตัวเองถูกไหมฮะอันนั้นอยู่ในสามสิบเอร์เซ็นตนะครับแต่เราตอนนี้เราจะก้าวขึ้นมาจากสามสิบมเชื่อมขึ้นมาสู่เจ็ดสิบเนี่ยเราก็จะมีฐานวิชาที่จะจะทำหน้าที่ยกหรือหมุนตัวนี้ขึ้นมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเริ่มจากชั้นที่สองนะครับคือตัววิชานะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยกลับลงไปหาชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวสี่แพลตฟอร์มนะครับอันนี้มีมีอยู่ในแผ่นตอนภาพรวมนะอันนี้ดึงมาส่วนส่วนเล็กมาขยายจะมีวิชาหลักอยู่ด้วยกันก็คือพุทธบุรณษการศาสตร์ที่เรากําลังเริ่มต้นตรงนี้นะครับส่วนที่เรารับกันไปเยอะแยะแล้วตอนนี้ก็มีพุทธวิชาที่อยู่บนนะครับของพ่อครูนะครับถูกไหมฮะดูแลกันใกล้ชิดมากเลยให้ทั้งสาวิชามาเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะลงมาที่ตัวแพลตฟอร์มคือตัวนักศึกษาซึ่งยังยังไม่ค่อยได้เริ่มมากนะัก การเริ่มฐานงานยังไม่ถือว่าเป็นระดับแพลตฟอร์มนะแต่ว่ามันเริ่มอันเดียนจะมี4แพลตฟอร์มมันต้องมีฐานงานก่อนงั้นารที่ท่านเริ่มเป็นกลุ่มฐานงานแข็งแรงก็แปลว่าท่านจะยกขึ้นมาสู่4แพลตฟอร์มนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะนำชุดความรู้ทั้งหมดตัวนี้นำเอามาสู่เป็นผลรายงานการพัฒนาตนเองและสังคมนะครับ คื อ, ค, อคำว่าสังคมนี้นี้ก็หมายว่าพัฒนากลุ่มของเรานะครับชุมชนของเราแล้ ว, ลวไปมี Impact หรือไปมีผลกระทบไปถึงสังคมได้ยังไงนะเป็นสากลได้ยังไงอันนี้ก็คือภาพที่เราเห็นเป็นภาพรวมนะหเห็นเป็นภาพรวมในกระบวนการการศึกษา ข, ของเราเั้นเราจะไม่เห็นวิชาต่างๆนี้เป็นเรื่องที่ตัวใครตัวมันนะเป็นเรื่องที่ต้องเสริมกันเข้ามาถูกไหมฮะแล้วที่สําคัญเมื่อคุณนําเสนอไปสู่สังคมคุณต้องพิสูจน์ได้ว่า คุณเป็นมนุษย์ที่เข้าไปถึงระดับจิตสํานึกที่ฝรั่งเรียก conscious นะครับที่ผมต้องขออนุญาตพูดนิดหน่อยเพื่อค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆวเวลาเราไปดูของฝรั่งเองเนี่ยมันจะได้คุ้นเคยมากขึ้นในเวลาเรายกถ่ายซีล็อกมาอะไรมาจะได้คุ้นเคยกับภาษาพวกนี้มากขึ้นนะครับไ อ, อ, อจิตสํานึกหรือ conscious เนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องปัญญาชื่อสัตว์น้ําใจแล้วก็อุตสาหะนะครับเพราะฉะนั้นจริ ง, รงๆแล้วที่เคยพูดไปแล้วนะครับก็จะสะท้อน จริงๆทั้งหมดเป็นองค์รวมนะฮะแต่เวลาบางครั้งเราก็จะเห็นว่าภาพสะท้อนของการวัดเชิงวัดด้วยนะฮะว่าเป็นเชิงตัวใหญ่ๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอของพ่อครูเนี่ยนะฮะใช้คำว่าสื่อสรรัตสรรัตตัวนี้เป็นสัตสรรจัจ ข, ของความจริงโลกุตละถูกครับถ้าท่านซื่อตรงต่อคำสอนและนำไปสู่ปฏิบัติได้ท่านย่อมเข้าถึงตัวโลกุตละจริงมครับนั้นสัตสัตยะหรือสรรจัจจะตัวนี้จึงมีความหมาย ลึกซึ้งนะครับสัมพันธ์กับพ่อท่านส่วน4แพลตฟอร์มของท่านท่านจะเจริญได้น้ําใจใช่ไหมยอมให้อภยัยเสียสละอ ะ, อะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะน้ําใจมากกระบวนการกลุ่มก็ดีมากจริงไหมครับถูกไหมฮะที่สําคัญคือเนี่ยพุทธบุญการศาสตร์จะทําให้ขั้นเห็นปัญญาปัญญา น, นี้เป็นปัญญาที่รู้ว่าเราจะนําไปสู่ความสําเร็จนะฮะเป็นปัญญาที่ก่อเกิดฉันทะหรืออธิบายยังไง ที่พูดมาแบบนี้ตอนนี้ท่านยกเอ่ยเห็นความยิ่งใหญ่เอ่ยอะไรเอ่ ย, อยท่านมีฉันทะไหมครับนะเพราะท่านตั้งเป็นชื่อรุ่นฉันทะเลยนะแล้วฉันทะจะมีโดยไม่มีปัญญาได้ไหมไม่ได้งั้นประเด็นยากต่อมาจริงไห่ว่าท่านมีฉันทะประเด็นยากต่อมาคือทอําังไงให้่าเกิดความน่าสนใจเกิดเป็นวิริยะเนะี่ะเพราะฉะนั้นพระท่เบอร์การษารจะต้องนําเสนอสิ่งที่เป็นดีๆให้มาให้ท่านวรนะฮะวระ ว, รวรโรกาดอย่างนี้เป็นต้นเนะี่ยวิริยะ ก็ต้องนําเป็นเรื่องดีๆโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆเอามาป้อนมาป้อนเป็นข้อมูลให้ก่ท่านถูกไหมฮะเพื่อเสริมส่งปัญญาของท่านให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายท่านก็ประมวลทั้งส า, ส, าสามส่วนนี้กลับมาเป็นตัวอุตสาหะหรือวิริยะนั่นเองแต่วิริยะอันแรกมันเป็นเรื่องของตัวใส่อินพุตมาแต่วิริยะตัวสุดท้ายเป็นวิริยะของท่านเองที่ท่านจะต้องพยายามนําทั้งหมดม า, าผสมผสานใช่ไหมฮะแล้วทํามันเป็นตัวนํามอบให้สู่สังคม ด้วยความอุตสาหะเลยวิยะนะฮะหรือจริงๆถึงขั้นจิตตะเลยด้วยซ้ําและที่พระท่านพูดว่าวิมังสาคัดเอาแต่เนื้อเนือตอนที่ไปถึงตัวอุตสาหะตัวนั้นอนะ่ะถึงขั้นคัดเอาแต่เนื้อเนื้อเน้นๆแล้วนะออกไปสู่สังคมว่าเนี่ยนะอนุญาตพูดไปรุ่นหน่อยมันเจ๋งจริงๆอะไรเงี้ยนะไม่ต้องบอกไปต้องรู้ทั้งหมดเอารู้ตรงเนี้ยรู้แบบเจ๋งจุดๆเลยอย่าเงี้ยนะให้เขารับอย่างเงี้ยนะตัวนั้นก็เป็นตัวสุดท้ายวิมังสานะครับอันนี้พอพอเห็นภาพนะ เห็นภาพไหมนะฮะว่าวิชาเราสัมพันธ์กันดังั้นสำคัญก็คื อ, อ, อจะเห็นว่าถ้าท่านเห็นมุมของพุทธบูรการศาสตร์สัมพันธ์ไปหาพ่อครูนะฮะก็จะเป็นทักษะเน้นในเชิงวิชารามเพราะว่าไปหาศูนย์ใช่ไหมขัดเกากนะิเดตนะแล้วส่วนที่มาเชื่อมกับตัวสี่แพ่นฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นทักศึกษะเกลี่อกว้างก็จะเป็น น, นักศึกษะที่หมุนเกลียวขยายใหญ่ขึ้นนะครับ นะฮะฉั้นที่ความรู้ที่มีศาสตเกี่ยวขยายใหญ่ขึ้นก็จะเสริมกับทางด้านไปทำกระบวนการกลุ่มนะครับหรือว่าสีแพลตฟอร์มตัวนี้ในศาสตร์ที่สัมพันธ์เข้ามาในเชิงยกระดับจิตสํานึกมีการยกกระดับขัดเกลาเกลียดอะไรยังไงก็จะสัมพันธ์กับพ่อท่านนะครับในเรื่องของพุทธวิชาขอภาพถัดไปเลยครับเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าเวลาเราศึกษาเนี่ยเราต้องจับจับหลักได้นิดหนึ่งอันนี้จะบอกหลักหรือแนวนะฮะว่า เอาเยอะเริ่มจากพ่อท่านก่อนนะครับพ่อท่านก็สอนมากถูกไหมฮะสอนจนท่านจะเป็นอาหารหันเดี๋ยวนี้เลยก็ยังสอนถูกไหมฮะแต่ท่านจะเป็นหรือเปล่ามันอีกเรื่องแต่หมายความว่าท่านท่านให้สุดๆเลยนะครับเพราะฉะั้นสิ่งที่ท่านให้เปรียบเหมือนวงกลมใหญ่ถูกไหมครับถูกไหมครับทีนี้ในส่วนที่พนบัการศาสตร์จะนําไปสัมพันธ์กับสากลข้างนอกก็จะต้องเอาแต่ส่วนที่อินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กหมายถึงว่าส่วนที่มันตัดกันและเห็นเป็นสีน้ำตาลเนาะตรงนั้นเนี่ยนะฮะ ว่าจะเอาออกไปแล้วสังคมรับได้นะฮะตามหลักทฤษฎีทางสังคมที่มีมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งจริงไหมครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันมันเพราะสังคมยังไม่มีทฤษฎีที่เราบอกแล้วไม่มีทฤษฎีที่เป็นเกลียวยอดแหลมนะครับปวิชาแบบนั้นยังไม่มีนะครับหรือมีมีไม่ลึกซึ้งตลอดนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของพนักบูการศาสตร์ตรงเนี้นะฮะ หรือพุทธบุญการศาสตร์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งทีเ่เป็นส่วนสาระของพ่อท่านแต่มันก็จะมีส่วนบางส่วนที่มันเป็นเรื่องนอกจากสิ่งที่พ่อท่านาพูดหรือสอนนะครับเช่นในเรื่องของความรู้ทางตะวันตกหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เราจะนําเข้ามาประกอบพอเ น, นี้ยออกไหมฮะอันนี้ก็เป็นวงวงที่ใหญ่กว่านะฮะที่เราต้องรู้ประกอบเพื่อจะเพื่อเพื่อจะไปทํางานได้นะครับ แล้วส่วนความรู้ น, นั้นนะฮะที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทังศึกษาก็จะเป็นวงช่วยชี้อันอันระหว่าง1กับ3ได้ไหมครับที่อินเตอร์เซ็กกัน1กับ3อ่ะตรงนั้นนะ่ะช่วงนั้นนะะอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะสีน้ำตาลหรือเป็นสีชมพูอะไรก็ได้ท่านก็ใส่สีมาอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในชุดความรู้ที่ตะวันตกเขาพัฒนาจากตัวตนมาเป็นตัวตนที่เล็กลงหรือเสียสละมากขึ้นยังไงนะรเรียกว่าเ s สเ l ล เลสแปลว่าน้อยนะฮะเซลคือตัวตนมีมีการทําให้น้อยลงของตัวตนอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะสัมพันธ์กันนะักศึกษนี้ได้นะครับทีนี้พอถัดมาตัวพ่อท่านเองกับนักศึกษาเองที่นํามาใช้ได้เนี่ยฮะที่ผมถึงบอกว่าท่านเขียนในหัวข้อว่าพ่อท่านสอนสวิชาแล้วท่านนํามาสู่การเรียนรู้ของท่านอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยฮะที่ชีวศร์อนินเตอร์เซ็กตัวนี้ก็คือใช่นะครับแต่ที่ พอท่านสอนแล้วท่านยังเอามาใช้ไม่ได้ก็ย่อมมีอยู่ใช่ไหมครับอันนั้นไม่ปรากฏในงานเขียนก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นก็คือการเรียนรู้ของชีวิตแต่ว่านี่เรากำลังพูดเน้นไม่เชิงที่จะออกมาเป็นงานเขียนนะครับแล้วี่อีกอย่างหนึ่งก็คืองานของนักศึกษาที่ทําเองจริงที่มันเป็นไปตามเนื้อหาเรื่องราวที่มันเป็นไปอย่างเช่นปลูกมันเป็นไปตามดินฟ้าอากาศเรื่องราวมันก็ไม่ได้สัมพันธ์ในส่วนของพ่อท่านถูกไหมแต่มันก็มีตัวแปลนเป็นนัยยะเนี่ย น้าแรงน้ำท่วมหรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็มีผลดูไหมฮะกับ ง, งานอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในส่วนที่เป็นสามนะครับมันจ้องต้มีนั้นถ้าเรารู้ในแต่ละวงระวงกันแล้วเราเวลาเราจะมาเข้าเกี่ยวข้องกับ ง, งานเราจะให้ความสำคัญกับส่วนที่เป็นอินเตอร์เซ็กคือส่วนที่มันมันมั น, ม, นมันตัดคร่อมกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่พอท่านได้สามอันแล้วนะครับก็คือ พัฒนาบวิการศาสตร์สองอินเตอร์เซ็กนะครแล้วท่านได้ส่วนกลางอันที่3าเสร็จปุ๊บพอท่านจะไปสู่งานเขียนท่านต้องเอาประสบการณ์ตัวนั้นกลับไปเช็คกับคําสอนเพราะท่านใช่ไหมอันนี้คืออินเตอร์เซกตัวนี้นะครับท่านต้องกลับไปเช็คกับคําสอนถูกไหมต้องไปทบทวนถูกไหมฮะถูกไหมอ่ะนั่นก็คือส่วนที่ต้องไปไปไ ป, ไปยืนยันหรือไปตรวจสอบแล้วว่าใช่นะครับเช่นเดียวกันคุณก็ต้องมีหลักฐานในเชิงลงมาอีกหน่อยอ่ะตัวนี้อินเตอร์เซกตัวนี้ก็ต้องมีความหมายว่าคุณก็ต้องมีหลักฐานในเชิงงานเชิงประจักษ์ ถูกไหมครับสิ่งที่ท่านจะสรุปเป็นงานเขียนออกไปท่านต้องมีเชิงประจักษ์ในส่วนที่ท่านทําสําเร็จแล้วในตัวที่เป็นนักศึกษาอันที่สามเป็นงานงานงานกลุ่มงานสี่แพลตฟอร์มจริงไหมครับจริงไหมครับ่านั่นก็คือสิ่งว่างานเขียนของท่านต่อไปตรงเนี้จะออกไปถ้าเขียนออกไปอย่างนี้ท่านคิดว่าคนคนอ่านเนี่อลับได้ไหม ในความเป็นจริงในเชิงสาระในเชิงของความจริงจังหนักแน่นความสําเร็จรับได้ไหมครับะจะมาบอกว่าท่านนั่งเชียนเขียนหรือว่าเพอถึงอุดมการณ์อะไรอย่างนี้มไหมไม่ใช่มันเป็นเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็ทฤษฎีครบพร้อมนี่คือองค์รวมนะีที่เราพูดกัาว่าองค์รวมองค์รวมของเราเนี่ยเวลาเราเมื่อกี้ที่บอกพูดงานแล้วเราพูดในเชิงองค์รวมเนี่ยเราก็มีความหมายโดยโดยรวมหรือโดยองค์รวมที่เป็นนัยยะสําคัญแบบ ที่กำลังพูดตรงนี้นะครับท่านก็อาศัยภาพนี้ทําการทบทวนได้นะฮะว่าองค์รวมของเรายางไงแตนะ่วันนี้ที่เราเพิ่งเริ่มอุ่นเครื่องเนี่ยเราอาจจะเลือกทําเป็นแค่บางบางส่วนที่อินเตอร์เซ็กนะฮะอย่างเช่นท่านเรื่องในของวิชาพ่อท่านนะฮะแล้วมาสัมพันธ์กับลักษณะเป็นงานเขียนนะครับก็อาจจะอยู่ในเชิงช่องนี้นะฮะช่องที่คุณศกรสอนอยู่ขณะ น, นี้ถูกไหมครับเพราะว่ายังไม่รู้ชุดความรู้พระนาโบรารศาสตร์มากนัก ระบบกระบว น, นการกลุ่มก็อาจจะยังไม่มีไม่เป็นไรแต่มันเพิ่งเริ่มกระบวนการแล้วว่าท่านเริ่มอยู่ตรงไหนขององรวมองรวมสำคัญที่สุดทั้งทนรู้ว่าท่านกาลังทําอะไรอยู่ <cents. S 1> นะครับเปรียบเหมือนเราสร้างบ้านบางทีเราก็ไม่ได้สร้างทุกอย่างพร้อมกันใช่ไหมเราก็สร้างเป็นส่วนๆเดี๋ย ว, ส, ว, ส, ว ian, สุดท้ายมันเป็ น, เ ป, นเป็นสร้างบ้านเสร็จมันก็ครบหมดถูกไหมอันนี้เราก็จะค่อยๆไล่กันไปอันนี้จะเป็นตัวช่วยให้ท่านคอยดูในงานอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าต่อไปท่านทํางานงานเฉียนของท่านหรือการรับรู้การเรียนของท่าน ท่านอยู่ในส่วนไหนส่วนไหนยังไงนะแล้วแยกประเภทของข้อมูลนะฮะเพื่อจะเอาไปใช้ส่วนที่อินเตอร์เซ็ก์นี่ท่านพยายามจะเก็บเป็นข้อมูลไว้นะฮะถ้าบางคนมีกล่องหรือมีคอมพิวเตอร์ก็ตั้งไฟล์ตั้งอะไรไว้ก็ได้นะฮะจัดให้ความสําคัญตรงนี้เอาเพราะท่านสอนตรวนี้นะมันจะมีผลถึงงานเขียนอย่างนี้นะเอาท่านดึงตัวนี้ออกมาแต่อันอื่นเป็นข้อมูลรวมเอาเพราะท่านสอนอะไรอย่างเช่นท่านแสนินรำท่านก็เก็บเป็นข้อมูลใหญ่ของตัวกลมของหมายเลขสองนึกออกไหมฮะพร้อมที่จะกลับมาหาหรือหยิบยกเพิ่มเติมขึ้นได้พราะนึกออกใช่ไหมฮะตรงนี้ท่านก็จะ เริ่มเริ่มมีระบบของการศึกษาเรียนรู้รับรู้ขึ้นมาแล้วครับต่อไปครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปพันเดิมก่อนนะครับที่ประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ว่าตอนนี้เรากาลังพูดถึงของเรานะครับแล้วจะนำสู่ถ้าเรานำสู่สังคมเฉยๆเป็นระดับธรรมดาและในกระบวนรทัดเก่ากระบวนรทัดเก่าคืออะไรก็แปดกลุ่มสาระเช่น พวกเศรษฐศาสตร์พวกวิชาหมายความอยู่บนพื้นฐานแปกลุ่มสาระนะอย่างเช่นตามสายอาชีพต่างๆถูกไหมฮะอย่างนี้ท่านไม่ต้องจบเลยตอนนี้ท่านทําได้แล้วท่านทําออกไปได้แล้วถ้าตามแนวเดิมแต่มันไม่ใช่กระบวนทการใหม่กระบวนทัศน์องค์รวมนะครับหรือบูรณาการตรงเนี้ยมันต้องมาดูว่าเรามีการเชื่อมตรงนี้อย่างไรมันต้องต่อยอดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถูกไหมครับอันนี้ต้องแปลกใหม่หน่อยนะ ต้องแป่งใหม่เพราะถ้าพูดในเชิงของอถ้าคนเน้นในเรื่องของกสิกรรมหรือเกษตรศาสตร์อย่างเงี้ยนะอันนี้พูดถึงในเชิงของตัวหมอหรือแพทย์ศาสตร์อย่างเงี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นระดับเรียกว่ากระบวนการทัดเดิมก็ว่ากันไปตามชีวความรู้จริงจรงอันนี้มันคือสามสิบนต์อร์เซแต่ที่เขานึกออกนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่เ0็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ใช่สนะี่สมันจะขึ้นมาดสิบไม่ใช่นะแต่นี่สามสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยมน อ, ยยอ น, นองขึ้นมาเนี้ย เราฝรั่งมันมีโทวติฝรั่งมีไม่ใช่มันฝรั่งมีนะครับก็ก็เดี๋ยวไปต่อฝรั่งเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นทฤษฎีตะวันตกนะครับเขาแบ่งเรื่องราวของการพัฒนาของชีวิตมนุษย์นะครับอันนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะเอาหนังสือมาความจริงเอามาแล้วพอดีอยู่ที่กระเป๋านะครับ เป็นห่วงกลัวมาสายเลยลืมหยิบมานะครับอันนี้แต่ยังไงก็ยืนยันได้ว่านี้บาจากตะวันตกนะครับเขาจะแบ่งชีวิตของการพนาของมนุษย์เนี่ยออกเป็นสีเรียกว่าสีแบ่งสี่ฮะเหมือนพิซซ่าแบ่งสี่นะฮะหนึ่งชิ้น1ในสีชิ้นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก quadrant นะครับก็คือหนึ่งส่วนสีนั่นเองนะครับก็เลยใช้คาว่าสี่ quadrant นะครับ ผมพยายามใช้คำพวกนี้ใหไหมท่านัมัสจึมซับไปเพระเดี๋ยวเวลาเราถ่ายของฝรั่งมาให้เราดูเราก็จะรู้ว่าอ๋อก็กำลังพูดถึงอะไรอะไรอยู่นะครับแล้วในสี่ควอตแดเนี่ยมันจะเริ่มมาจากถ้าท่านดูข้างบนนะฮะอันหนึ่งแบ่งซ้ายขวานะในกรณีซ้ายขวานะครับซ้ายจะเป็นภายในขวานี่จะเป็นภายนอกนะฮะซ้ายจะเป็นเชิงการรับรู้ในชีวิตของเราภายนอกคือส่วนที่เราจะไปมีงานหรือมีกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับข้างนอกนะครับ ทีนี้บนล่างล่ะบนนี้จะเป็นลักษณะของเชิงส่วนน้อยนะฮะในส่วนส่วนคนเดียวหรือกลุ่มน้อยๆนะครับแล้วในส่วนล่างลงมานะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรื่องจำนวนเยอะนะฮะอย่างเช่นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสังคมนะครับเยอะไหมครับเกี่ยวข้องคนเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวนะฮะที่ว่าปัจเจกหรืออินดิวิเดียลเนี่ยนะครับนะฮะในในควอแดนซ้ายบนนะครับกับกลุ่มพฤติกรรมชุมชนนะฮะ คือคอมมินิตี้เออ behavior นะครับ b e h a v i ก็คือพฤติกรรมนะครับตัวเนี้มันก็จะเป็นเชิงน้อยอยู่ถูกไหมครับนะฮะเฉะนั้นการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกกิจกรรมหรืออะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่ในสี่วงนี้นะครับแล้วมีผลกระทบแก่กันและกันนะครับเฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็โอเคเราก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ามีพื้นฐานของคําว่ามุมมองแบบองค์รวมแล้วนะครับนะครับมี holistic vision หรือมีมี In นำไปสู่พื้นฐานอ n d i g o Vision Indigo ก็คือบูรณาการวิ s i o n คือ Vision คืออะไรวิสัยทัศนะครับนะครับตรงนี้เริ่มรับรู้ของฝรั่งมาส่วนที่หนึ่งเราลบมาเป็นฐานเอาส่วนที่สองมาพูดถึงของเราเชิญครับต่อไปครับส่วนที่สองนี่จะให้เห็นเลยนะครับว่าสี่แพลตฟอร์มของเรานะครับอันนี้คุณตาแล้วนะครับสี่แพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่อาจารย์อนเนกพิ่งจะมาทามองจากข้างนอกมาหาเรานะถูกไหมครับ อโศกไม่ได้สร้างสิ่งนี้นะอาจารย์เอเนกมามองว่าอาโศกน่าจะมีสิ่งนี้นะครับเป็นตัวเด่นให้กับสังคมนะฮะเราก็ลองมาดูหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่2นะครับเดี๋ยวเชิญเชิญแผ่นที่สามนะฮะการศึกษาโลกุตละนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่หนึ่งะฮะขั้นตอนที่หนึ่งคือการศึกษาโลกุตละท่านคิดว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวปัจเจกในเรื่องของจิตสํานึกไหม จิตสำนึกที่ให้มันเกล้อกว้างมีประโยชน์เพิ่มขึ้นัหม <bosses. S 1> เพิ่มใช่หัหยงั้นแผ่นแรกนะครับถ้าท่านพลิกกลับไปที่แผ่นแรกจะเห็นเลยว่าเขาเน้นคาว่า consciousness กับฮะ self consciousness ซึ conscious ่งมีถึงสิบระดับนะครับแล้วเส้นที่สายางสีฟ้าออกไปเนี่ยนะก็เน้นจากศูนย์กลางก็คือความเห็นแก่ตัวเยอะนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปตามลาดับนะครับรตรงนี้น จะเป็นทักษะตัวตนที่เล็กลงหรือน้อยลงนะครับก็คือเลสเซลหมายว่าจนไปจนถึงโนเซลถ้าไปถึงสุดท้ายระดับสิบเลยนี่โนเซลเลยนะฮะเขาใช้คําว่าสุญญตาตถตาเลยนะระดับที่10ของเขานะครับงั้นเมื่อสุญญตาตถตามันก็เข้าเข้าล็อกกับทางของพุทธเราใช่ไหมฮะก็สามารถจะพัฒนาขึ้นไปได้นะครับตรงนี้งั้นอันนี้การศึกษาสุโรกุตะก็ย่อมอยู่ในอ่าเรียกทับศัพท์เขาได้ไหมฮะก็แดน ภาษาไทยเรามีไหมสิอะไร<ส>มีไมภาษาไทยมีหมเซี่ยวเหรอเอาอย่างไงผมยอมตามฮะเอาเซ็นหะ่นสะฮะหรือเซี่ยวซ้ายบนนะครับซ้ายบนนะครับเอาถัดไปเซ็หจสี่หรือเซี่ยวเอไม่ไม่ใช่ไม่ปถึง1 4่งนสีเลยฮะ่งนสาไปถึง14่งนสี่เลยนะ 4ควอตแดนเนี่ยนะหนึ่งควอตแนคือหนึ่งคือ90องศาเลยนะครับควอตเออร์ควอแดนเนี่ยฮนะใช่ใช่ใชอ่ะละที่นี่ามาทางขวานะครับเดี๋ยวกลับไปกลับไปกลับไปหาแผ่นรวมอ่าแผ่นรวมท่านลองดูนะครับอันนี้เป็นระดับชุมชนนะมีวิถีชีวิตพอเพียงนะครับเป็นพฤติกรรมของชุมชน behavior ที่พึงประสงค์นะฮะที่ของฝรั่งนะฮะก็คือพัฒนายังไงให้มีพฤติกรรมท่านคิดว่า เศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจบูรณายมของเราเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของชุมชนไหมของวิถีชีวิตชุมชนไหม <Okay. S 1> เป็นเรามีแล้วนะเรามีแล้วนะเราจอดข้องกับฝรั่งนะครับแต่เรามีแล้วมีมาก่อนด้วยอย่างที่บอกแล้วเพราะเราประวัติสี่ิปีฝลังประมาณสิบกว่าปียี่สิปีเท่านั้นเองนะครับนี้ถัดมาล่าสุดเลยการเมืองวิถีอริยะนะครับการเมืองวิถีอริยะนี่ พูดถึงการเมืองเฉพาะการเมือง <sk r oup> หรือเปล่าหรือรวมถึงการปกครองรวมถึงรัฐศาสตร์รวมถึงเศรษ ฐ, ฐกิจรวมถึงอะไรทุกอย่างเลยไหมกระจายรายได้อย่างเงี้ยที่เป็นทําอย่างเง<ๆ>ี้ยถูกไหมฮะเปิดช่องกับการระบบการศึกษาอย่างเงี้เป็นต้นเนี่ยถูกไหมฮะการเมืองวิทยายะเราพูดเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเราก็ทําจริงแล้วด้วยใช่ไหมฮะเราออกไปมีประสบการณ์นี้นับหลายปีแล้วถูกไหมครับงั้นเราไม่ใช่เพิ่งจะมีความคิดแล้วก็ยังไม่มีกิจกรรมแต่เราออกไปจริงๆอย่างจังนะครับ รับถึงขนาดสเก็ตระเบิดแก้ทำตาอะไรกันมานะฮะ น, นี่ไม่ใช่เล่นแล้วนะครับคงไม่มีหมายะไรไหนพาลูกสิทธ์ตัวเองออกไปรับพวกแก้ทำตากับสเก็ตระเบิดใช่ไหม อ, อมีแต่หมาพิชาไลน์นาวา้าวิชาลามนาวาบป็นิย ม, มะนะครับแล้วต่อไปออกออกอีกไหมเนี่ยเป็นหมาวิชาลัยนาวา้าไ อ, อหมาวิชาลามนาวาบป็นิยมถ้าออกออกอีกไหมอ้าว ห ม, หมดคําถามเลยนเนี่ยว่ามาวิชาลัยไหนก็คงยังไม่ถึงขนาดนี้นะครับพอเกิดอะไรกับลูกหลานเขาแล้วจะทํำยังไงนะพ่อแม่ก็เห็นใจนะเข้าใจเอามาเหลือสุดท้ายนะครับเรื่องสาธารณสุขนะครับหรือสุขภาพองค์รวมคือความสมดุลของกายและจิตทุก ว, วันนี้จะให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากใช่ไหมฮะในเว็บไซต์ต่างๆหลายอย่างเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากเลยจูกไหมฮะได้รับความนิยมสูงแล้วก็ ส่งต่อกันอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเลยนะครเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสาสุขหรือสุอสภาวะองค์รวมเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับระดับของฝลั่งที่เขาเรียกว่า c u l t อร์นะฮะหรือว่านาธรรมเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ขึ้นกับเชื้อชาตินะอย่างสุขภาพองค์รวมกายกับจิตเนี่ยจะเป็นคนจีนคนไทยฝรั่งต่างๆเหล่านี้ประจบทุกเรื่องสุขภาพจิตและกายเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉนั้นวัฒนธรรมนี้เป็นสากล น, นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่องนี้และ ช่องนี้เป็นหนึ่งในจุดแข็งของอโศกด้วยนะโสกมีการดูแลสุขภาพได้ยินว่าหลายสำนักด้วยนะครับไม่ใช่สํานักเดียวเราไม่พูดว่าสํานักไหนส่วาไหนแต่ว่าเราพูดถึงการสนที่พลังหรือการรวมพลังเข้ามาแล้วเนี่ยถักทอขึ้นมาแล้วเนี่ยโสกในควอดแดนนี้หรือในหนึ่งส่วนสอันนี้เนี่ยเซลเนี่ยต้องแข็งแรงนั้นจะเห็นเลยว่าสี่ควอดแดนเราเป็นสี่ควอดแดนที่แข็งแรงไหมแข็งแรง อันนี้เราไม่ได้ดูถูกที่อื่นเราพูดถึงความพร้อมนะท่านคิดว่ามีที่ไหนมีความพร้อมตเต็มแน่นขนาดสี่ควดอดแดนนี้บ้างไหมเท่าที่ท่านทราบนี่ไหมครับอันนี้พูดถึงความพร้อมนะไม่ใช่พูดถึงเก่งไม่เก่งนะเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกท่านท่านเห็นว่ามีที่ไหนมีความพร้อมตเต็มเข้มขนาดนี้บ้างอนะ่ะใช่ไม้มไม่มีเพรนั้นท่าน ควรจะใครกังวลลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะเอาจากสิ่งที่พวกท่านมีอยู่แล้วนะหรืออโศกมีอยู่แล้วออกไปนะกับสิ่งที่ไม่มีอ่ะอันไหนมันยากกว่ากันเนะี่ยไม่มียากวายากว่าใช่ไหมนี่เรามีงันะ้ในใครจะบ่นท้อว่าโอ้ยากจังเนี่ยต้องต้อ ง, ต, องต้องกลับมาดูต้องกลับมาดูตารางนี้นะครับอันนี้สเต็ปที่หนึ่งประสบความสำเร็จแล้วนะครับว่าเราพึ่งตัวเองเราสามารถยืนยันกันพึ่งตัวเองได้การครบพร้อมทั้งสี่อันเนี่ยคือการยืนยันอย่างเป็นเชิง ภาวะวิสัยว่าเราพึ่งตนเองถูกไหมทั้งกายและจิตนะทั้งตั้งแต่เล็กตั้งแต่จุดเล็กๆในส่วนลึกของคอนเซ็ปต์นเนี่ยจิตสํานึกไปจนถึงจุมจนไปถึงสังคมไปจนถึงวัฒนธรรมออกไปสู่สากลเราพึ่งตนเองได้เหมือนกับเราเรามีของตัวเองเต็มๆอะ่ะถูกไหมฮะจริงไหมถ้าเรายังไม่มีเราจะพึ่งตนเองได้ไหมอ่านี่ชัดเจนนะงั้นสเต็ปที่หนึ่งก็นำมาสู่พึ่งตนเองนี่ผ่านไหมฮะให้ผ่านไหม อ, อโศผ่านไหม อ่าโอเคทีนี้มาเรื่องที่สองเรื่องกายนะเหมือนที่ว่ากายาจะเรียกว่ากายภาวนาวก็ได้หมายว่าผลสําเร็จทางกายทางภาวะพิสัยในทางเห็นเนี่ยเราเห็นชัดตอนนี้มันจิตวิญญาณนะ่ยจิตวิญญาณนี่ง่ายไหมดูง่ายไหมดูง่ายไหมแล้วท่านจะนําเสน อ, อยังไงแล้วต้องสากลด้วยนะเนี่ยผมข้างบนเห็นไหม โยงเข้าหาหลักธรรมแล้วก็มี question มาเรื่องใหญ่นะถ้าพ่อท่านไม่ส่งผมไปเรียนเนี่ยผมก็ไม่มาพูดตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันเป็นการช่วยย่นมิติเวลาเหมือนกันก็คือโชคดีนะฮะว่ามันมีส่วนหนึ่งของการที่มีธรรมะร่วมกันของสังคมหรือสากลเขามาตรงกับ หลักหมวดธรรมที่เพราะท่านก็นํามาเน้นย้ําขยายแล้วพ่อท่านก็พูดเองนะฮะเมื่อกี้นี้ไปเรียนพบท่านพ่อท่านก็ยังพูดซ้ําอีกผมเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่าหลักธรรมนี้คือธรรมอนิยามห้านะฮะอุตตพิชฌจิตกรรมธรรมะอันนี้เราได้ยินกันคุ้นหูน ะ, ะท่านบอกว่าไม่มีในพุทธพจน์หรือไม่มีในพระไตรปิฎกนะครับแต่ลึกๆของท่านเนี่ยท่านก็เชื่อว่าชุดองค์ความรู้เนี่ย เป็นชุดองค์ความรู้ที่มาจากพระพุทธเจ้าหรือเนื่องกับหลักธรรมของพุทธเจ้านะครับทีนี้ตะวันตกเขาก็มีนะเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยกลับไปเออช่วยไปแผ่นต่อไปนะครับไปเ่นออุตุพีชะจิตกรรมธรรมะเนี่ยนะครับก่อนจะไปถึงรายละเอียดตรงธรรมยามห้าตรงนี้นะครับจะพูดถึงฝรั่งว่าฝรั่งเขาก็มีห้าตัวนี้เหมือนกันนะครับ ในส่วนของตัวอุตุเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นชุดความรู้ในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะฮะทางฟิสิกส์ถูกไหมครับดินน้ำลมไฟนะรเราเคยได้ยินใช่ไหมเพราะท่านว่าอุตุเนี่ยเป็นเรื่องวัตถุธาตุดินน้ํำลมไฟใช่ไหมครับฟิสิกส์เนี่ยโอ้โหเขาคิดค้นลึกซึ้งมากนะไปจนถึงระดับสสารพลังงานปรมาณูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนกระทั่งไปถึงหลุมดําไปถึงอะไรต่างเหล่านี้เยอะแยะ นะครับที่4ี่สัมพัสภาพเขามีนะครับพีชะพีชะเราก็รู้ใช่ไหมว่าหมายถึงพวกพืชใช่ไหมฮะฝรั่งเขามีไบโอโลจีนะฮะไบโอโลจีคือชีววิทยาพวกเราเคยเรียนกันไหมครับชีววิทยาโอ้โหพืชตระกูลนั้นอะไรคุณ <c oughs> ระบบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะเขาก็มีนะครับจิต จิตนี้เขาก็มีวิชาไซโคโล l o g y ถูกไหมครับภาษาพวกนี้ฝรังเขาเขียนเองนะฮะไม่ใช่ผมมาพูดแล้วก็แปลเอาเองหมาว่าใ น, ในที่เขานําเสนอนะครับเขาใช้คําเหล่านี้เลยว่าคนเราต้องมารู้เรื่องพวกนี้ไซโคโล l o เป็นเรื่องจิตนะครับของเราเรียกจิตนิยามแต่ความลึกซึ้งไม่เหมือนกันนะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าหมายถึงว่าฐานร่วมอะ่ะไม่มีการรับรู้นะครับแล้วกรรมนิยามกรรมนิยามอันนี้เขาใช้ ในเรื่องของผลของกรรมที่เจริญขึ้นเป็นของเขาเป็นเทวานิยมใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยใช้คำว่าอัติอิสซึมอั s อออนี่หมายถึงเทวะเทวานิยมหรือเทวานิยามงนั้นเขาก็รู้เรื่องเทวานิยามนะในเรื่องของตัวนี้แล้วคนเราจะขึ้นเป็นเทวะได้ไหมถ้ากรรมเราไม่เจริญขึ้นไม่ดีขึ้นหรือถ้ากรรมไม่ดีขึ้นเป็นเทวะอยู่ ด, ดีก็ตกสวรรค์ได้ ใช่ไหมครับอ่านี่ก็มาสอดคล้องกันนะในธรรมณนิยามนะครับส่วนธรรมนิยามเนี่ยเขาก็เน้นเลยว่าเป็นเรื่องของอเขาใช้คาว่าม Mystical m y s t ิ c a l คือสิ่งที่เป็นส่วนที่ลี้ลับนะฮะเขาถือว่าจิตวิ ญ, ญญาณเป็นเรื่อง m ิส t i c a l หรือมิสมิสติกนะฮะก็คือเรื่องของความลี้ลับถูกไหมถูกไหมวิ ญ, ญญาณเราเป็นเรื่องลี้ลับถูกไหม หมดความวิร์ก็เป็นอระหะใช่ไหมครับที่พระท่านสอนถูกไหมฮะถ้าตรับใดยังไม่หมดก็ยังไม่ถึงอระหะสอดคล้องกันไหมธรรมนิยามเราก็สอดคล้องกับมิสติกในเชิงแต่ก็อาจจะพูดตรงนี้ว่าสูงสุดเป็นจิตวิ ญ, ญญาณสูงสุดเป็นกอ๊อเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ก็หมายถึงวิ ญ, ญญาณที่บริสุทธิ์ที่ดีขึ้นถูกไหมครับซึ่งสูงกว่าเทพนะฮะสูงกว่าอัตอิซึมอันนี้เป็นเรื่องของอจักรวาลเลยนะ ตีซึมยังเป็นเรื่องกรรมของมนุษย์ที่พัฒนาจิตขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ตัวนี้มันก็เป็นของเหมือนเหมือนเป็นของสัจธรรมของจักรวาลเลยอย่างนี้เป็นต้นเขามองกันนั้นแปลว่าเรามีส่วนที่จะเชื่อมกับตะวันตกภายใต้พื้นฐานจากธรรมนิยามห้าทีนี้ธรรมนิยามห้าเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่จะทําให้เกื้อกว้วงนะเป็นเรื่องเกื้อกว้วงเพราะอะไรเพราะ เรื่องของชีวิตเราทั้งหมดนะฮะสังคมเอ่ยอะไรเอ่ยก็ล้วนอยู่ในธรรมนิยาม5ถูกไหมฮะจะเอาเล็กเป็นธรรมนิยามก็อยู่ในธรรมนิยาม5จะเอาใหญ่ไปจนถึงโอ้โหเป็นความรู้แบบขึ้นอวกาศเลยย้ายโลกกันเลยเนี่ยอย่างฝรั่งเขาคิดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ใช่ไหมมันก็ยังอยู่ในธรรมนิยาม5นะครับงั้นไม่มีอะไรที่เราพ้นไปจากธรรมนิยาม5้านะฮะงั้นท่ามาไปแล้วเนี่ยธรรมนิยาม5้ามันคือจักรวาลธรรม นะธรรมะเนี่ยมันใหญ่ถึงขนาดครอบคุมทั้งจักรวาลได้เลยนะครับคําที่ใกล้เคียงที่สุดในจักรวาลทำขนาดนี้คือคาอะไรท่านพอนึกออกไหมภาษาบาลีเราความเป็นกระแสอิทับปัจจยตาอิทับปัจจยตานี่มีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันแต่ถ้าเราเอาธรรมนิยามห้ามาจับ กับคำว่าอิทธิปยาตาเราจะเราจะรู้เสือกอิทธิปยาตาของพุทธเนี่ยกว้างขวางมากเลยนะฮะจั ก, กรวาลไปขนาดไหนอิทัิปยาตาก็ไปได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ลดน้อยแต่จริงอิทธิปยาตาอาจจะไปมากกว่าที่วันนี้ความรู้ทางวัตถุหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีด้วยซ้ําจริงไหมครับ2 ส, ส่วนนะส่วนหนึ่งคือมองเห็นเข้าไปได้เท่าไหร่ฟิสิกส์ไปได้เท่าไหร่อิทธิปยาตาก็ไปเท่านั้นถูกไหม แต่ที่จิตวิญญาณไปได้ไกลกว่านั้ น, น, นแล้วเครื่องมือธรรมวัสุมีมไหมอ่าเขาไม่มีแต่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมในอดีตเคยไปได้ไกลกว่ารู้จั ก, กรกวานน้อยจั ก, กรกวานใหญ่ได้เนี่ยไปด้วยเครื่องมือวิญญาาทยาศาสตร์หรือเปล่าแสดงว่าในมิติที่ฟิสิกส์หรือรกายภาพไปไม่ถึงมันมีงั้นอิทธิปยาตาก็ไปไกลกว่า น, น, นั้นอีกถูกไหมถูกไหมฮะ fordi, มงั้นการเลือกธรรมนิยามห จึงเหมาะจึงเหมาะมากถูกฮะเพราะที่เราเน้นพจจงเจ็มกว่าปดนะเราเน้นพจนจงเจ็เราไปหาศูนย์ใชห่หาเลแต่เล็กที่สุดนี่นแหละทให้ไปไกลได้ที่สุดใช่ไหมพ่อท่านใครเคยอ่านเรื่องออคนคืออะไรไหมคนคืออะไรพอท่านบอกจุดเล็กที่สุดเนี่ยเมื่อทาถึงเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ไปบ เรียกวไปไปเรื่องอะไรไปบรรจบหรือจะเรียกว่าไปเชื่อมต่อกับทางาส่วนที่มีหรือเรียกว่าพระอาทิตย์แม่ใหญ่ที่สุดนะฮะอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยคือมันโดยธรรมมันจะถึงกันปลายสุดของเล็กที่สุดกับปลายของเออปลายของความใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็จะเรื่องเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องมิสติกไหมมิสติกคือความลี้ลับไหมแต่สําหรับพุทธเมื่อถึงอรหันต์แล้วอระหะไม่ลี้ลับถูกไหมครับ เนะพราะท่านเทศในพุทธวิชาไปถึงแน่นอนแต่เราไปถึงไหมง <c oughs> ั้นท่านถึงต้องเอาตัวที่อินเตอร์เซ็กกันใช่ไหมตัวที่ตัดกันใช่ไหมตัดกันก็คือตัวที่ท่านมีนะตัวที่ท่านรับรู้นะเพราะเราจะต้องนําเสนอสังคมในส่วนที่ตัวจริงเป็นจริงเสียงจริงนะเราไม่เอาชุดความรู้ของพ่อท่านนะเพราะว่าเอฟเซเซอร์เคยบอกผมนะมันนี่เนี่ยนะคนนี้แหละนั่งข้างๆผมเนี่ยคุณไปตัดต่อพ่ อ, พอท่านมาผมว่าจริงหมดอะ แล้วของคุณอยู่ไหนอ่ะงั้นผมต้องให้ด็อกเตอร์พ่อท่านจิท่านพูดถูกไหมถูกนะอันนี้เขาจะชัดเจนนะว่าทําไมเราต้องอินเตอร์เซกแต่พ่อท่านบอกนะพ่อท่านสอนเนี่ยพ่อท่านโอเวอร์แล็อะไรโอเวอร์แล็หมดเนี่ยกี่วงกี่วงอ่งพะพ่อท่านครุมหมดพ <ระ S 2> ม่อท่านสอนครุมหมด อ, มอินเตอร์เซกับตัวสภาวะที่คุณมีจริงใช่ของตัวเรางนั้นต้องเน้นกลับมาที่ตัวเรานะฮะไอ้ตัวรูปพวกนั้นเป็นเพียงแค่ สื่อให้เรารู้ตำแหน่งหรือว่ารู้ตัวที่เราจะจับต้องมันออกมานะครับแล้วถ้าท่านจับต้องนี้ได้ท่านมั่วไหมไม่มั่วมั่วไหมโอ้พ้นความมัวพ้นแล้วทำใส่ไม่เอกเก่งเข้าไปอีกไม่มัวไม่เอกตรงมัวนี่มันมีสองอย่างนะอย่างหนึ่งคือมัวอย่างเก่งเลยก็คือมัวอีอย่างหนึ่งไม่เอกก็คือพ้นความมัวนะพ้นความมัวแล้วต้องจับไม่เอกตัวนี้ให้ดีๆตัวหนึ่งตัวนี้ ครับทีนี้ก็มาย้อนกลับไปภาพภาพเก่านิดนึงนะครับอะล่ะเราเข้าใจตัวร่วมแล้วนะทีนี้สเต็ป2เนี่ยนะมันจะต้องนำมาสู่ประโยชน์ให้กับสังคมและเกี่ยวข้องกับพุทธของเราด้วยและสัมพันธ์เป็นเนื้อหลักของพุทธบุรณาการศาสตร์เพราะพุทธวิชากับพัฒนาเบริการศาสตร์รวมเป็นเนื้อเดียวกันก็ตรงนี้แหละครับตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงที่ธรรมนิยาม5ตัวเนี้ยมันมี2 ส, สองอะไรอ่ะ สองสภาวะมั้งคือสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะที่เป็นแบบเป็นไปตามธรรมชาติของโลกก็คืออยู่ในโลกีวิสัยถูกไหมครับโลกียะวิสัยนะแต่ในส่วนอันเนี้ยมันจะต้องนําไปสู่ในส่วนที่เหนือโลกียะไปสู่ความเป็นโลกุตละงั้นจากธรรมนิยามหนี้ต้องพัฒนาขึ้นไปสู่ความที่จะเป็นโลกุตละเป็นสเต็ปที่สองถูกไหมครับซึ่งในพุทธวิชาเรามีถูกไหมฮะดังนั้นตรงเนี้ยการนําไปสู่ ตรงนี้ที่สังคมขณะนี้รับรู้แล้วก็ยอมรับกันก็คือหลักไตรลักษณ์ถูกไหมครับทําเมื่อไหร่พิจารณาภาษาจารกลข้างนอกก็บอกเมื่อไหร่วิปัสสนาไตรลักษณ์หรือการพิจารณาตลักษณ์เมื่อไหร่ก็คือเป็นการดําเนินวิปัสสนาภาวนาใช่ไหมเราคุณกันไหมคุณกันไหมข้างนอกถูกไหมถ้าพิจารณาไตรลักษณ์เมื่อไหร่ถือว่าท่านกําลังปฏหรือกําลังฝึกฝนวิปัสสนาภาวนาอยู่นะฮะ ทีนี้ของเราเนี่ยเราก็จะหาทางเริ่มแล้วว่าจากธรรมนิยาม5เราจะเข้าสู่ความเป็นไตรลักษณ์อย่างไรนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะเมื่อกี้นี้เราจะนําสู่กุตติละเราผ่านหมวดทำไหนถูกไหมครับตอนนี้เราเลือกไตรลักษ์มาถูกไหมครับแต่นี้าการเลือกไตรลักษ์แล้วจากธรรมนิยามห้าขึ้นไปสู่ไตรลักษณ์เราจะทํำยังไงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งถูกไหมถูกไหมครับ เดี๋ยวขอกลับในหน้าแผ่นนั้นที่นี้มันมีสองมันมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราเรียกว่าส่วนภาวิสัยหรือส่วนเหมือนกับอิทัิปยาตานะครับกับส่วนที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของเรานะครับอันนี้ขออนุญาตอ้างอิงท่านบูธานิดหนึ่งท่านพูดว่ามีคำสองคำเนี่ยที่มักจะใช้สับสนกันคือคําว่าอิทธิปยาตากับปฏิจจสมุปบาททั้งสองคำเนี้ยทุกคน ชินหูใช่ไหมครับเราก็มักจะใช้แทนกันแต่ท่านบอกว่านิดนนี่ตามตามตามความเห็นท่านนะท่านบอกว่าอิทัิปยาตาเนี่ยมันควรจะเป็นครอบคลุมธรรมนิยามห้าแต่ส่วนปฏิโยบาเนี่ยมันควรอยู่ในธรรมนิยามคือพัฒนาจิตจนเข้าสู่โลกุตละธรรมท่านคิดว่าสองอันเนี้ยมันเป็นหลักกระบวนการ เหตุปัจจจกการเหมือนกันแต่ฐานฐานเท่ากันไหมอิทธิปยาตานี่ใหญ่ครอบจักรวาลเลยนะแต่ปจิบันเน้นตรงที่จะเข้าสู่การตัดสรู้อย่างไรเป็นสูงสุดของธรรมย ม, มหา้าถูกมคือตัวสุดท้ายคือตัว ร, รมถูกมฮะถูกไห ม, ไหมนะะในอิทธิปยาตาอย่างเช่นในอุตตุพิชาหรือในจิตหรือสัตว์อย่างเงี้ยมีปฏิบัติไหม ในสัตว์นะในสัตว์จะมีปฏิจจุบัิได้ไหมปฏิจจุบันไม่ได้นะฮะแต่เขาอยู่ในอิทธิปยาตาไหมเกิดแก่เจ็บตายอลไรของเขายู่เป็นวงจรอยู่ใช่ไหมนะฉะนั้นสองคำนี้ผมว่าไม่เลวนะอันนี้เราใช้ของท่านเป็นฐานในการนําเสนอความการแบ่งความชัดเจนอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสองอย่างนี้แหละเราก็จะมองเวลาเราเสนอเราต้องครบทั้งสองส่วนนะทั้งส่วนฐานกว้างและส่วนฐานละเอียดนะครับ ส่วนฐานละเอียดที่เข้าสู่จิตวิ ญ, ญญาณที่เป็นจะนำไปสู่ปฏิบัตเนี่ยเป็นตัวอย่างของที่ผมบอกว่าหัวข้อมหาวิชาลามนะครับตรงนั้นเดี๋ยวจะเป็น เ, เราจะพักเบรกตอนบ่ายสามนะครับแต่ตอนนี้ที่จะนำเสนอนะครับก็คือเรื่องของตัวที่เป็นรักษณะอิทธปปฏิยตาเป็นลักษณะของตัวเหตุปัจจัยตามจริงที่มีอยู่กว้างๆนะครับผมก็เลยลองยกตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าลองเอา ยกตัวอย่างซึ่งอันนี้อยู่ใน4ี่แพลตฟอร์มนะแต่เราลงลึกลงไปเลยเอายกตัวอย่างเป็นตัวฐานงานเลยยกตัวอย่างเช่นขยะท่านคิดว่าขยะเนี่ยเกี่ยวข้องกับอุตจุไหมอุตุก็คือดินน้ําลงไปท่านไม่ไปทําอะไรกับมันมันก็มีอุตุอยู่เน้นอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมฮะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามหลักของมันถูกไหมฮะมันอยู่ที่ดินในน้ําหรือในอากาศหรืออะไรมันก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปของมันคนไม่เกี่ยวมันก็เป็นอุตุถูกไหมเพราะฉะนั้นขยะ แน่นอนมันเป็นเนื้อหาใ น, ใ น, ในอุตุนิยามแน่ในขยะนะั้นมีส่วนที่มีชีวิตเป็นพวกอิ see, see, นทรีย์อินทรีย์น่ะอุตุละอินทรีย์เป็นพวกขยะชีวะเนี่ยมีไหมมีอ่าหรื อ, อเอาธรรมชาติก็ได้ต้นไม้ตายอะไรลงอย่างเงี้ยมันทับถมลงไปงั้นในฐาน ง, งานขยะเรามันก็จะมีส่วนของพีชะอยู่คนไม่ไปทำอะไรเลยนะฮะไฟไม่ป่าหมดเดี๋ยวป่า ม, มันก็ขึ้นมาใหม่ ถูกัม้มมันมีส่วนนะครับเกี่ยวข้องกับตัวพีชาทีนี้จิตจิตเราเนี่ยเราพูดถึงตัวปรากฏการนะเราไม่ได้ม่พูดถึงในความเป็นมนุษย์นะเราพูดถึงปรากฏการเนี่ยในความที่เกิดขยะขึ้นในโลกเราวันนี้เรื่องจิตของเราเนี่ยมันมันมันเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสารไหมหมายว่าเอาภาระ เป็นสาระเป็นหลักเป็นแก่นสารไหมหรือทุกคนไม่เอาภาระปล่อยขยะท่วมโลกฮะเอาหรือไม่เอ า, เอาส่วนใหญ่ไม่เอาใช่ไห ม, ไมเจอที่ไหนก็ทิ้งเจอ ER ไหนก็ทิ้งใช่ไห ม, ไมอยู่ในป่าก็ทิ้งใช่ไหมอยู่ข้างนอกถนนในเมืองก็งนี่เราพูดถึงปรากฏ ก, การณ์ทั่วไปนะเอาพูดถึงคนทั่วๆไปนะครับยังไม่พูดถึงว่าสิ่งที่ควรเป็นนะพูดถึงทั่วไปเพราะฉะนั้นในฐานงานขยะในเชิงภาวะวิสัยจิตนี่ก็เลยให้เป็นเส้นประ แปลว่าทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยแปลว่ามนุษย์ที่ไหนที่ไหนก็เก็บขยะอย่างดีเลยดูแลอย่างดีเลยจริงไหมท่านเคยเห็นธรรมชาติสัตว์บางชนิดไหมมันดูแลที่อยู่มันมีการเอาของไม่ดีเอาขยะเอาอะไรเขีย่ยวคุยอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีสิ่งนั่นเลยแต่คนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่ <laughs> <laughs> เห็นไหมฮะงั้นจิตจึงเป็นเส้นปะ สัตว์เดชาบางตัวทําความสตอ์หลังหรือทํามาืที่อยู่มันดีกว่าคนอีกถูกไหมฮะแต่คนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตนะคือจิตก็คือสิ่งมีชีวิตระดับที่เป็นสัตว์ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่เป็นความจริงในธรรมนิยามห้าก็เลยเป็นเส้นปะเมื่อจิตมันไม่มีมันไม่เป็นเนี่ยกรรมมันมาไหมกรรมมันจะมาแน่นอนไหมฮะกรรมที่จะกรรมที่จะดูแลไม่ให้มีขยะมันจะมาแน่นอนไหม ไม่มามีเครื่องหมายคําถามนะเครื่องหมายคําถามแล้วเกิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะถึงทำไหมไม่ถึงอันนี้เราพูดเชิงภาวะวิสัยนะพูดถึงภาวะวิสัยทั่วไปที่เรามีอยู่จริงๆอันนี้เป็นกันอยู่ทั่วโลกเลยถูกไหมครัไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวถูกไหมครับเพราะที่ไปไปชายหาดแล้วไปทําความสะอาดอะไรเงี้ยก็มีตั้งหลายชายหาดของโลกถูกไหมนั่นก็สะท้อนอยู่แล้วนะว่าเรื่องขยะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้ตามจริงนะครับ ส่วนที่จะเป็นเรื่องของเราที่เป็นเรื่องจิตที่จะทำอันนี้จะอยู่ในตัวอย่างเดี๋ยวเราเบรกนะฮะสัก10นาทีเรากลับมาตรงนั้นเราจะเราจะยกขึ้นมาว่ามันเป็นสาระหรือเป็นภาระอายกยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นเรื่องการศึกษาการศึกษาเราในเรื่องของเราการศึกษาเน้นเรื่องจิตไหม เน้แน่นอนถูกไหมแม้กระทั่งของทางโลกเขาก็เน้นใช่ไหมให้จิตคุณต้อง อ, อะไรอะ่ะมุ่งสู่ความสําเร็จถูกไหมการมุ่งสู่ความสำเร็จอยู่ที่สมองหรืออยู่ที่ใจใจเพราะสมองเรียนกันหมดแต่คนจะสําเร็จบางทีฉลาดไม่เก่งเท่าด็อกเตอร์เลยแต่จิตไปถึงใช่ไหมเป็นมหาเศรษฐีไม่ต้องดอกเตอร์ก็มีเยอะแยะถูกไหมครับมีเงินจ้างด็อกเตอร์อีกเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้น 100, จิตเนี่ยสำคัญนะเรื่องการศึกษานี่จิตสําคัญนะฮะ นี่พาจิตสําคัญปุ๊บเขาต้องสอนแล้วว่าทํายังไงประสบความสำเร็จสอนไม่เรื่องกรรมเรื่องการการะทำทำยังไงจะประสบความสาเร็จสอนกันอยู่ไหมงั้นหมดนะนี่เราไม่พูดถึงโลกุตละนะเราพูดถึงการษาทั่วไปนะนี่เป็นเชิงพาวิสัยแบบเชิองอิทัิปยาตาถูกไหมฮะเรามองมองตัวอย่างของโลกสอนนะสอนเรื่องกรรมทีนี้สอนเรื่องกรรมพอไปถึงเรื่องธรรมะเนาะมันมีเครื่องหมายคําถาม นะครับมันมีเครื่องหมายคําถามท่านเห็นไหมฮะตรงเนี้ถ้าหากว่าเป็นเครื่องหมายคำถามฮัลโหลเออเดี๋ยวกำลังสอนอยู่นะเดี๋ยวพายโทรกลับขอไปนะถ้าหากว่าจะเป็นเครื่องหมายคําถามมันก็จะเหมือนขยะเหมือนกันถูกไหมครับถ้าเป็นเรื่องทางทั่วๆไปทางโลก เขาไม่เน้น เ, เรื่องโลกลุตละจะเข้าถึงทํามไหมไ ม, ไม่งั้นอันนี้เลยเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะว่าตัวแปรมันมีก็คือถ้าท่านค่าเครื่องหมายคำถามตัวนั้นได้นะฮะค่าเครื่องหมายคำถามได้ท่านก็เปลี่ยนมาเป็นความชัดเจนเครื่องหมายคำถามก็เมื่อกี้เราพูดแล้วมันก็แทนความโมวโมว่ใช่ไหมคนมีคำถามนี่ชัดหรือมัวมม่เมื่อีท่าน ก้าวข้ามมัวอย่างขนาดมั่วท่านยังก้าวข้ามได้ก็แปลว่าท่านตัดฉบลงไปแล้วนะฮะเมื่อท่านไม่มั่วไม่มัวไม่มั่วท่านเข้าถึงทำได้ไหมเป็นเรื่องการศึกษาไหมสู่โลกุตละไหมอ่างนั้นเรารเราจะเห็นนะฮะว่าเรามีตัวแบ่งแยกตัวเปลี่ยนผ่านอยู่ตรงจุดไหนนะครับการเปลี่ยนผ่านอยู่ตรงเรื่องอุตตุพิชะไหมไม่ ใช่ไหมับอยู่ที่กรรมนะอยู่ที่กรรมแม้กระทั่งเราไปเกี่ยวเรื่องอสมมติสาราสุกนะฮะมีเรื่องอุตตปิชะเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้นะฮะมันเกี่ยวข้องกับาธาตุอาหารสารอาหารต่างๆแต่ถ้าไม่มีกรรมเข้าไปพ้นความมัวก็เข้าสู่โล ก, กุตระไม่ได้จริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือเรื่องที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลอง exercise เองนะครไม่ใช่เป็นงานนะแต่อย่างให้เอ็กซ์ไซเองว่าท่านลองวิเคราะห์ฐานงานของท่านดูว่าถ้าในเชิงภาะวิสัยเนี่ยมีตัวไหนในหลักของตัวกําลังจะยกระดับขึ้นไปเป็นตัวตายรักแล้วนะฮะย้อนกลับมาดูตรงไตรักนิดหนึ่งเสร็จไตรักนี่เราก็คงจะจบนะครับเดี๋ย ว, ยวต่อตัวเดิมครับภาพเดิมครับภาพเดิมนะครับจะสังเกตนะฮะว่าถ้าเรามองในมุมมองของไตรักเอาที่ฐานงาน ขยะนะฮะฐานงานขยะอุตุมันเป็นอนิจจังในตัวมันไหมเป็นใช่ไหมฮะเราก็ลากเส้นทึบนะพีชาหรือชีวสารชีวสาร อ, อ, อินทรีย์ต่า ง, างๆมันเป็นอนิจจังในตัวมันไห ม, ไมเป็นเราขีดเส้นทึบเนาะแต่พอมาเป็นจิตจิตเรายอมอนิจจังไหมไ ม, มันมีนิจจังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างบนใช่ไห ม, ไมเห็นไหมฮะ เมื่อมันมีนิจังอยู่ข้างบนในจิตเราเรามีขึ้นมาคาถามเราก็ให้เป็นเส้นปลาถูกไหมครับนี่ถ้าจิตเป็นนิจังแล้วมีเส้นปลาแล้วมันจะไปถึงกรรมไหมกรรมที่เป็นอนิจังจากกิเลสนี่ไปไหมไม่ไปเมื่อไม่ไปก็ไม่มีเนาะถ้ามีบ้างมันก็โอเคนะแต่นี่เราพูดถึงคนที่ไม่มีอะ่ะไม่มีอะ่ะหมายว่าไม่มีจิตใจที่จะคือมีนิจังอยู่ในตัวแล้วมันจะมีไหม มันไม่มีอ่ะมันก็ทํากรรมที่เป็นโลกจิยะตลอดถูกไหมครับนะฮะงนั้นจะเห็นนะว่าคำว่าอันนีจังกับ น, นิจังเนี่ยมันมาได้แค่สามตัวเองนะครับก็คืออุตตุพีชาแล้วก็จิตบางส่วนถูกไหมครับแม้แต่สัตว์ที่ทําจริงๆเนี่ยมันก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหะพึ่งต้องสร้างรังมาเป็นพันๆปีหลายพันปีเป็นนับหมื่นปีมันก็อยู่อย่างนั้นแหะมันเป็นโลกุตระมีกรรมอะไรเป็นโลกุตระต่อไหมไม่มี มนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าถ้าอยู่บนพื้นฐานของที่มีจิตที่มีนิจังนิจังอะไรนิจังสุ ข, ขังอัตตาใช่ไหมฮะขอให้เที่ยงขอให้สุขขอให้ตัวตนฉันเป็นอย่างนี้นิรันดร์การอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะมีกรรมไปสู่โล ก, กุตระไหมไม่มีนะครับมันก็ไปตกอยู่นิจังหมดทีนี้เรามาดูตัวต่อไปคือทุกขังเราทุกขังจะให้อุตุไหมดินน้าลมไปมันมีทุกสุขไหมมันไม่มีเลยเราจะให้เส้นประได้ไหม ไม่ได้ไม่มีเลยนะพี่ชาเหมือนกันพื ช, ม, พชมีสุขมีทุกไหมไม่ ม, ม, มีนี่คำสอนพ่อท่านนะมนุษย์พืชถึงบอกว่าไม่จริงๆไม่มีชีวิตมนุษย์แล้วก็ว เ, เป็นมนุษย์พืชแม้มีการสังเคราะห์ อ, อะไรก็แล้วแต่มันไม่มีตัวทุกขงังแต่มันมี อ, อนิจจังนะที่เมื่อกี้เราให้ไปแล้วนะการเปลี่ยนแปลงของมันชีวิตของมันอะไรเงี้ยอยู่ในหลัก อ, อนิจจังนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีนี่ไม่ทุกขงักขงสุขังมันจะอยู่ที่จิตนี่แหละถูกไหมครับถูกไหมมนุษย์เกิดขึ้นมาทุกคนเป็นเด็กปุ๊บ รู้จักทุกสุขไหมทุ ก, ก็ร้องสุขก็หัวเราะเด็กหัวเราะเราหัวเราะไปด้วยเด็กร้องไห้เราอย่างี้ดิ้นเลยเห็นไหมสุขทุกข์มันตั้งแต่เด็กแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีตัวนี้มาแล้วตัวที่เป็นตัวทำให้มันสุขทุกข์จริงๆมันก็คือตัวกรรมใช่ั้ยใช่ไหมใช่แ ม, ม้ถ้ามางคน ก็ยังบอกเลยการไม่ทํากรรมอะไรเฉยๆพ้นทุกข์ไหมก็ไม่พ้นอีกใช่ไหมงั้นการไม่มีกรรมหรือไม่ทํากรรมมันก็ไม่ทําให้ท่านพ้นทุกข์สุขไปด้วยก็ขนาดไม่มียังไม่พน้นแล้วไม่ต้องป่วยกรรมว่าพูดว่ามีแล้วมันมนจะต้องทุกข์สุขอยู่เนี่ยตัวนี้ก็ต้องเป็นเส้นจริงๆน่าจะเป็นเส้น เ, เส้นใหญ่โดยซ้ําไปนะครับทีนี้พอเป็นตรงนี้ถ้าอยู่ในฝั่งสุขขังเนี่ยมันจะเข้าถึงทำไหมถ้าท่านยึดสุขขังอยู่เนี่ย เข้าถึงธรรมได้ไหมบางคนบอกขอพักยกถ้าเป็นเส้นประนะครับเป็นเส้นประเข้าไปเขาคิดว่าเขาพักยกเขาไม่ปรุงแม่อะไรเขาถือว่าเขามีธรรมะอะไรเงี้ยเราก็นี่เป็นกระแสสังคมอ่ะเราจะเรารู้ชัดว่ามันไม่ใช่แต่ว่าสังคมเขามองว่าเขาก็ได้อยู่นะได้ทางธรรมอยู่ได้อานิสงส์ของธรรมะอยู่เราก็ให้เป็นเส้นประถูกไหมครับทุกขังก็มีแค่นี้ถูกไหมฮะที่เรามาพูดถึงอนัตตา นะครับอนัตตนี่มีเส้นที่เป็นธรรมะนะครับก็คือธรรมหรือธรรมะนิยามสูงสุดก็เป็นอนัตตาอันนี้แน่นอนเลยมีคนหรือไม่มีคนทุกคนก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถูกไหมฮะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้า ก, ก็เป็นเช่นนั้นเองอยู่ไหมพระเจ้ามาตัดจรู้ถูกไหมครับเพราะฉนั้นเส้นนี้เส้นหลักแน่นอนมีใครสงสัยไหมครับอนัตตากับธรรมเนี่ยสูงสุดนะเราพูดถึงสูงสุดนะชัดไหมครับ หรื อ, อยังมัวมวงั้นธรรมะสูงสุดคืออนัตตาถูกไหมถูกไหมครับธรรมะสูงสุดคืออนัตตานะโอเคทีนี้ <c oughs> ส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องกับกรรมนะครับอนัตตาเกี่ยวข้องกับกรรมและอนัตตาที่ไม่มีกรรมจะไปถึงจิตไหมจิตจะเป็นอนัตตาโดยไม่ผ่านกรรมได้ไหมไม่ไ ด, ไได้นั่นคือเหตุผลที่เราไม่ให้อนัตตาไปถึงจิตเนาะ ทีนี้ประเด็นคือกรรมนี่แหละเราทํากรรมที่จะเป็นอนัตตาได้สมบูรณ์หรือยังยังเอาก็ให้เป็นเส้นประถูกไหมฮะทำได้มากก็เข้าใกล้อนัตตาเข้าใกล้ธรรมมากขึ้นถูกไหมชุดความรู้อย่างเงี้ยมันเป็นชุดความรู้ที่เราสามารถเข้าใจกับโลกได้กับเชื่อมโลกได้ถูกไหมไม่ขึ้นกับเราเราจะรู้พุทธวิชาหรือไม่รู้คนมนุษย์ส่วนใหญ่ทั้งโลกเขาก็อยู่ในโครงอย่างนี้โครงสร้างอย่างนี้ถูกไหมครับ ที่เกี่ยวข้องในธรรมนญิยามห้านะงั้นเราก็ตามหลักเราจะต้องพูดพื้นฐานทั่วๆไปเป็นภายนอกด้วยแล้วเราก็จะมาถึงภ า, ายในแต่ของเรายอมให้กับโครงสร้างที่จำกัดแบบนี้ไหม ย, ยอมไหมจะไปโล ก, กุตละยอมไหมยอมให้อยู่ในข้อจำกัดของโครงสร้างแบบนี้ไหมเราต้องฝ่าก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ใช่ไหมอ่า น, นั้นเป็นเรื่อง ชั่วโมงต่อไปแต่ตอนนี้คงให้ท่านเบรกสักสิบนาทีนะครับจะไปห้องน้ำหรือจะเพลนเปลี่ยนอิยาบทอะไรนะครับเชิญดีไหมมีความน่าสนใจที่จะดูข้อต่อไปไม่ว่าจะพน้นข้อจำกัดทรนริยามห้าอย่างไรส น, สนใจก็กลับมานะครับ <c oughs> <c oughs> จะพูดประโยคนี้แหละ <c oughs> จิตจิตที่ไม่ผ่านกรรมแล้วไปอนัตตาไม่ได้ ที่พ่อท่านสรุปให้ก็คืออะไรผัสสะเป็นปัจจัยถ้าคุณไม่มีผัสสะก็ไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นล้างกิเลส จ, จากจิตไม่ได้ตัวเดียวกันถ้าไม่มีกรรมก็คือไม่มีตัว